อยู่ห้าวันเลยค่ะมันอยู่ห้าวันนะใค่ะอยู่ห้าหกก็อยู่คุกจับให้ห้าก็แปดแต่ว่ามีคนเข้าไปที่หลัง่อนก็เลอยู่ห้าก็แปดได้ครับเก็บตัวเนี่ยอยู่เก็บตัวไม่ไม่ไม่เปิดตาหูจมูกลินกายปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปเสด สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องการทำใจให้สงบต้องปิดทวารทั้งห้าเพราะว่าปิดก็คือสั่งรวมไม่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่เปิดโทรศรัพท์ได้ดีไปไปแล้วเดี๋ยวก็ใจมันก็ออกไปทางทว่ทางโทวศัพท์เรามาต้องการที่จะทำใจให้ท้องข้างในให ให้สงบใจออกข้างนอกเราเหมือนฟุง้งเข้าข้างนาานในมาถึงจะสงบให้สติเงใจคอยพุทโธพุทโธคอยเอาคฮ้ยอะไรอยากจะถามไหมถามว่าพอดีหนูมีรูปเธอรูปแต่ว่าเป็นรถองเล็กๆติดไว้กับหน้ารถอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าหนูเอารถ ไปซ่อมแล้วหนูก็เลยต้องเอาเอาออกมาที่บ้านเยื่อแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงห้องนอนแล้วพอดีลูกชายเล่นแล้วก็เตะ บ, บอลในห้องแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็กลายถึงว่าคอหักแล้วหนูต้องทำยังไงคะไซ่อมได้ไหมซ่อได้หรอลคือหลุด คอนหลุดนะคหล่นลงมาเลยอไรอย่างนี้ค่ะเป็นเป็นตูเนื้เป็ น, ปนอนไนนะไรและเป็นเหมือนเป็นไม้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องกลับมาซ่อมได้ไหมติด ก, กาวอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมได้จริงได้จริงๆว่าพุะตะลุนั้นท่านก็ไม่มีอะไรหรอก มันก็เป็นเพลงแต่เครื่องเตือนสติเตือนใจเราให้เราเราเลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราเราจะดีเราจะไม่ดีเราจะสุขหรือไม่สุขก็อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเรากระทาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะดีจะสุข จะเจริอันนั้นเองแต่พวกเรากลับเอาพระพุทธรูปมาเป็นเหมือนยันการผียันกันอุบัติเหตุมันกันไม่ได้หรอกอุบัติเหตุถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการไม่มีก็ไม่มีเพระพุทธรูปก็จากคนขับนั่นแหละคนขับเมาแล้วขับมันก็แต่ให้พระพุทธรูปดีขนาดไหนก็ กันไม่ได้เวลาคนต่องจะมาให้เราเจ็มรถเราบอกว่าเจ็มคนนะอย่าไปเจ็มรถนะรถจะไม่รู้เรื่องหรอกรถเปถาตามตามคาสั่งของคนขับถ้าคนขับไม่เมาขับด้วยความไม่ประมาทมันปอดภัยที่มันเกิดอุบัติเหตุจังเพราะมันขับแบบประมาทใจร้อนอยากจะไปให้ถึงไว ก็ละเอียดสุดๆเลยอันนี้หละคือเดี๋ยวลูกชาจะบาปไหมไม่บาปไม่ไดไม่ได้มีเจตนาตั้งใจทำถึงแมนตั้งใจก็ไม่บาปเป็นถ้าเราบอกว่าเอาไปทุบทิ้งซะอย่านี้ก็ไม่บาปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ถ้าเราเห็นเราซ่อนไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเอาไปโยมทิ้งทั้งขยะมันก็ไม่เหมาะสม แล้วก็ทุบทิ้งหรือเผาไฟไปให้หมดสภาพไปไไแต่เราก็ไม่กล้าทำเพราะเราประยุติจกับไม้อันนั้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไปทำลายไม้อันนั้นก็เป็นเราเป็นทำลายพระพุทธเจ้าก็เลยไปโยนทิ้งตามวัดเป็นกองขยะในวัดกันเห็นไหมที่วัดเนี่ยมี ตายต้ตนโพนี่ยมักจะมีคนเอาพอบพระพุทธรูปคอหักแขนขาดอของที่เป็นขยะแล้วมาโยนทิ้งไว้ที่วัดกันมาสร้างกองขยะที่วัดกันการที่จะทําลายของที่มันเสียแล้วมันไม่น่าจะมีโทษแต่อย่างใดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นเพียงเหมือนกับป้ายโฆษณา ้านโฆษณาสินค้าอย่างเงี้ยที่ป้ายมันพังนะคุณจะไปปล่อยให้มันดูอุจยาระทำไมป้ายมันพังก็เอาไปเก็บเอาไปทำลายมันเสียมันจะได้ดูแล้วจะได้ไม่มีความรู้สึกนี่กับเอาพระพุทธรูปคอหักแขนขาดมากองไว้ที่ใายต้นโพกัน เพราะพระพุทธรูปนี่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าศักดิ์สิทธิ์คนเราก็ไม่ต้องตายเนะี่ยไม่ต้องมีอุบัติเหตุกันะใช่มหมบริษัทรถยนต์ก็ติดปดขายกับรถเลยไม่ดีกว่าแนละ้วพวกเราจะได้มโนธรรมห า, าพระพุทธรูปติดกันถ้าเราเป็นบรอสัทขายรถนี่เราจะอยากจะขายดีเราติดพระพุทธรูปไว้ที่หน้าหน้ารถเลย ขับครันนี้รับรองได้ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุขับในขนาดไหนก็ไม่พลิกคว่ำมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธลูกกระขาเป็นคนทําขึ้นมาน่ะมนุษย์ที่เม้อนอย่างพวกเราทำเองขึ้นมาน่าจะมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ไหใช่ไหมคนที่ปั้นพระพุทธลูกดีไม่ดีมเมาเหล้ากินเหล้ามเมาอยาจะได้ซ้ำไง น, นั่นเลมันจะปลูกไงจะเสกไ ง, งปลูกก็มันจะเติบงั้นมาเน่ะปลูกแล้วจะพูดได้เนีแล้วนคนปลูกเสกเป็นใครคนปลูกเสก ด, ดีกว่าพระพุทธเจ้าถึงอจะปลูกพระพุทธเจ้าได้ใช่ไมคนที่จะปลูกพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเนะนี่ยต้งเนี่ปลูกพระพุทธเจ้าได้ คนที่ปลูกพระพุทธเจ้าก็ยังมีกิเลสเต็มหัวใจยังมีความโลภ ก, กอดหลงเต็มหัวใจปลุกแล้วก็ได้เงินที่ความโยกอยากจะได้เงินเขามาให้ปลุกก็เลยปลุกแล้วแน่จริงก็อยากเงินเสร็จปลุกแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนธรรมะไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้ไม่มีเรื่องไร้ไม่มีรูปบริจาคไม่มีบาทกังเทศ พระพุทธเจ้าให้ฟรีธรรมะให้ฟรีแต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี้แสดงเทศแล้วต้องมีต้องมีการเทศกันอการการแสดงการมีการเทศก็แสดงว่ามีความโลภแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้พระไม่ให้มีเงินทองท่าก็ฟรีบ้านก็ฟรี เื้อผ้าก็ฟียารักษาโรค ก, ก็ฟีเราจะเอาเงินทองไปซื้ออะไรซื้อมือถือซื้อไอโฟนเอาไปเที่ยวนะเที่ยวอินเดีย <c oughs> <c oughs> นะยัง่พระพุทธรูปเนี่ย มีไว้เพื่อให้เราแสดงความเคารพกราบไหว้ผู้ที่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่นานๆานจะมีมาเกิดขึ้นสักครั้งนึ้งคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหายากมากไม่มีใครทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครทำได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นคนมาปฏิบัติมาทำพอทำเสร็จแล้วรู้จักทางแล้วก็มาสอนพวกเราพอพวกเรามีคนสอนพวกเราก็มีโอกาสที่จะตด้นได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่เราพวกเราไปเรียนอย่างนี้ก็อาศาัยคนฉลาดเข้ามาศึกษาวิชาต่างๆ รอเขารู้วิชาต่างๆเขาก็เอามาเผยแพร่สั่งสอนเราก็ไปเรียนเรียนจบเราก็ได้ปริญญาได้ปริญญาเราก็ไปสมัครงานไปทำงานได้รายได้ที่ดีถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยเราก็จะไม่มีปริญญากันเราก็จะไม่สามารถทำงานที่มีรายได้ดีได้ สมัยก่อนมืองไทยไม่มีมหาวิทยาลัยก็เลยต้องส่งไปเมืองนอกกันคนรวยเนทะ่านั้นคนที่มีเงินทองนะถึงจะไปได้สมัยก่อนก็เป็นแต่พวกลูกเจ้าเอ็นพ่อของในหลวงก็เป็นเรียนตะใอ็เรียนที่เมืองนอกเพราะเมืองไทยไม่มีมหาวิทยาลัยนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่า พวกเรานี้ถ้าไม่มีคนฉลาดกระลานี้มาสอนพวกเราพวกเราก็ยังจะโง่เหมือนเดิมโ ง, ง่แบบพระพุทธรูปเนี่ยตอนนี้คงฉลาดไม่ต้องเอาพระพุทธรูปไปติดที่รอดแล้วก็ยังโง่อยู่พระที่แท้จริงอยู่ในใจพระนอกเป็นพระเทียมเป็นพระสมมติ เป็นพระเตินใจเป็นเหมือนโฆษณาสินค้าตัวอย่างให้เราให้เราเป็นพระกันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นการชักจูงให้พวกเรามาเป็นพระกันการที่เราจะเป็นพระนี่อยู่ที่การกระทาของเราพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าถ้าอยากจะเป็นพระก็ให้ทาบุญให้ละบาป ให้ทําใจให้บริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะการกระทําเหล่านี้จะทําให้ใจเราเป็นพระขึ้นมาใจของพระเจ้าเป็นพระก็เพราะการกระทําบุญการไม่ทําบาปการทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำใจของเราก็จะกลายเป็นพระขึ้นมาเหมือนใจของพระพุทธเจ้าแลวเราก็จะหลุดพ้นจากภัยต่างๆเพราะเราจะไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดเราก็จะไม่มีรถเมื่อไม่มีรสเราก็ไม่ต้องมีพระพุทธรูปมาติดตั้งไว้ในรส เราจะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายนี่แหละคือความหมายของการมีพระพุทธรูปไม่ว่าเราจะห้อยที่คอหรือติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อเตือนใจเราว่าทำบุญนะอย่าทำบาปอย่าโลภอย่ากโกรธอย่าหลงถ้าทำได้แล้วเราจะมีแต่ความสุขมีความปลอดภัย จะไม่มีภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับเราภัยที่จะเกิดนี้มันเป็นภัยที่เราซื้อมาแล้วเข้าใจความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นภัยที่เราไปซื้อมาแล้วเราไปจองมันไว้แล้วเราจับจองมันแล้วเพราะเรามาเกิดเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตาย ตามมาต่อให้มีพระพุทธรูปราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วความตายมันก็ตายได้หลายรูปแบบขับรถพิกความตายก็ได้ต่อให้มีพระพุทธรูปดีขนาดไหนก็ป้องกันไม่ได้แต่ถ้ามีความ ไม่ประมาทมีสติขับรถด้วยความระมัดระวังโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุมันก็น้อยแต่มันก็ยังมีอยู่เพราะเราไม่ได้ขับรถคนเดียวถ้าบนทาง้นนมีเราคนเดียวแล้วเราขับด้วยความไม่ประมาทรับรองได้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุขยับเข้ามาหน่อยก็นะกลัวาพาะแล้วเกินไปแล้นหาพระนี้น อยากจะมีพระคุ้มครองแต่พอมาเจอพระจริงหนีกันถอยชอบพระชอบพระตายไม่ไมขออ่ออพระทเออเีที่ผู้ชายมีภรรยาน้อยแน่ผิดเหตุผิดเพราะว่าข้อสินข้อสามนี้ท่านให้มีรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตว์ต่อกันเพราะกันอยู่ร่วมกันนี่จะทำให้เราพึ่งพาอาศัยกันได้มนุษย์เรานี่อยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องอยู่แบบมีครอบครัวกันถ้าเราอยู่แบบแบบไม่มีความรับผิดชอบกันมันก็เหมือนกับแบบอยู่แบบสุนัขนะสุนัขนี่เขาไม่มีสีข้อสามกัน เขาเจอตัวไหนเขาเกิดความกำหนัดยินดีเขาก็จะเสพกรามกับตัวนั้นเขาไม่มีความรับผิดชอบต่อคู่คู่ครองของเขาเขาไม่มีคู่ครองพอสรุปว่าพิกรณีใช่ไหมคะหลวงยกเว้นกรณีที่คุยกันแล้วยอมยอมความกันได้แจ้งความบอกกันได้บอกว่าภรรยาใจดี มีนางสาวว่ายกให้คนนี้ไม่แรกๆ ก, ก็ไม่ได้ไม่ได้ยอมนะคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็อ่าตาย <laughs> ก็ถ้ายอมก็ไม่มีปัญหาอะไรคือมันจะได้ไม่มีการแตกแยกไม่มีการอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดกันก็คือถ้าแรกๆไม่ยอมก็คือผิดแต่ว่าพยายามแล้วก็คือความก็จบอีกอย่างมันไม่เป็นมีจบาที่ ม, มันก็เป็นสำหรับตัวสามีที่มีตันหาแรงมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแต่ว่าหญิงที่ยอมก็คือจะหรุดวิ บ, ก บ, บากตัวนี้ไปแล้วหญิงที่ยอมก็ก็เป็นเป็นพระไปแพ้เป็นพระชนะเป็นมานไปมันก็ตัดความพยาบาอท <c oughs> ใช่แล้วก็มีความสุข พบหน้าชาหน้าก็อาจจะไม่มีสักเดี๋ยวกลัวเจอแบบนี้จริงจรงมันมีในทางสังมันมีมากนะคะใช่เพราะเพราะว่าไม่มีไม่ได้เข้าเรียนรู้ว่าการที่เรามีครอบครัวมีคู่ครับนี้มีไว้เพื่ออะไรคือหนึ่งเรามนุษย์มีกิเลสเราต้องระบายอารมณ์ของเรา เราก็ต้องมีคนที่เรามาระบายด้วยทีนี้เวลาเราระบายกันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการจะตั้งท้องมีเด็กมีอะไรตามมาใช่ไหมถ้าถ้าเราไม่มีครอบครัวเดี๋ยวผู้หญิงตั้งท้องก็ไปทําแท้งอีกเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวมันก็จะทําให้เกิดการทํำบาปตามมาแล้ว ในเมื่อทุกคนต้องต้องเสบการก็ควรจะหาคู่ครองของตนเป็นกิจลักษณะแล้วก็อาศัยคู่ครองนี้อยู่ด้วยกันเป็นเป็นปึกแผ่นเป็นครอบครัวพึ่งพาอาศัยกันดูแลการช่วยเหลือกันอะไรไปนี่คือการที่เรารักษาศีลเพื่อกําจัดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเอแล้วทําให้เราอยู่อย่างเป็นสุข สิ่งข้อสมันก็ทําให้เราอยู่กันอยู่แบบมีครอบครัวมีความสุข ด, ดูแลกันรักษากันเดี๋ยวเขาไม่สบายเราก็ดูแลเขาเดี๋ยวเราไม่สบายเขาก็ดูแลเราช่วยเหลือกันช่วยเหลื อ, ลอทำมาหากินหาไรายได้อะไรก็มีความสุขแบบแบบมนุษย์ที่เสกกามแต่ถ้าอยู่แบบไม่มีความรับผิดชอบมีภรรยามีสามีแล้วก็ยังไปมีคนอื่นอยู่ ความรักกันของครอบครัวของของสามีภรรยามันก็จะหายไปแล้วอยู่กันก็ไม่มีความสุขต้องเคาะไ่นอนทำน้อยทำมากใช่ก็อยู่ที่ว่าคนที่เกิดความเสียหายเขาทำใจได้หรือเปล่าถ้าเขาทำใจได้เขามีปัญญามีสติชัางน้ำหนักดูแล้วก็คิดว่าเออให้อภัยดีกว่าบังกดมาเกล ก, กัน ไ ใ, ในเมื่อเรายัางเลิกกันไม่ได้ยังต้องอยู่ร่วมกันก็เอาก็ยกยกโทษให้เขาไปอา้อาวผู้ชายก็จะไม่ติดกรรมแล้วใช่ไหมคะผู้ชายก็อจะติดนิสัยนิสัยเข้าใจ <c oughs> าติดนิสัยเออก็จะเดี๋ยวดีไม่ดียังมีเพิ่มจากสองมาเป็นสามเป็นสี่ไปได้ใจไ <c oughs> ด้ใจเออได้ใจ <c oughs> แล้ว ยิ่งมีมากเมื่อยิ่งมีปัญหามากเพราะทุกคนภรรยาทุกคนก็ห่วงหวงห่ ง, หงแฟนของตนยิ่งพอไม่รู้ว่าไปมีคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคนที่สองก็เกลียดเกลียดขึ้นมาโกรธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกิดไปเจอคนที่เขาทําใจไม่ได้ก็าอาจจะฆ่ากันตายไปก็ได้ปัญหาชู้สาวนี่มักจะเกิดเกิดฆาตกรรมกันออฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายไป อาว่าาไปไงไม่ได้มาหลายปีแล้วอาจารย์ <Yeah. S 2> อุกัติเหตุเราไม่ลงไปมั่งอาจารย<อ>รถ ไ, ไม่มีผ้าใช่ไหมรถติดผ <laughs> ้าไว้เป่ะ <laughs> <laughs> ลูกชายวันนี้ว่างเลยพามาทีา่เป็นอุบัติเตพราะไม่ได้ห้อยผ้าแล้วป่ะ ปกติไม่ได้ห้อยอระจันท์ไม่เคยห้อยคิดว่าพระอยู่ในข้างในนะพยายามหาพระอยู่ข้างในเอก็เลยไม่ต้องให้พระข้างนอกอุบัติเหตุเป็นเรื่องขาดสติใช่ไหมไม่นะอาจันย์มันกำมันทําล้มออไปนั่งตรงนู้นดีกาเนีะตอนนี้บรรยากาศขวางทางเขากำลังถ่ายถ่ายกล้องอยู่เนี่ยปตรงนี้ไปนั่งนู่น เขาไมครับาไม่ต้องหรอกไปนั่งตรงนู้นน่ะจอครับอ่คุยธรรมะกับท่านจะคำสองคำอ่าก็ทนหน่อยสิเอาท่านจะคุยก็ทนเอาหน่อยอ่งพ่อเจ้าขาขออนุญาตอีกนิดนะเจคือคือปกติเนี่ยในในวงสังคมเนี่ยมันจะมีการเลี้งสุราตลอดนะนะครับผู้เรียงนี ก็บิดกรรมด้วยใช่ไหมคะาไปก็ไปส่งเสริมให้คนไหนเขาทำบาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่รู้ค่ะทำไมเขาไม่รู้ก็เขาก็คิดว่าไม่เนรเป็นได้ปกติอ่าะก็คือถ้ท่านี่รที่ทำกผคไม่ทำนะค่ะอืม คนธรรมดาเนี่ยเห็นเป็นเรืปกติคือเขาทําอะไรมันก็ก็ก็จะติดนิสัยทําอย่างนั้นไปชา อ, อิ อ, อ, อ่าเราก็าชาติหน้าเขาก็จะคิดว่าไม่ไม่เป็นไรก็ต้องติดก็ต้องใช้กรรมแล้วก็เกิดมาทําอีกเหมือนเดิมออ้โก็ทุกตายเลยก็ไม่ทุกเท่ากับคนเดื่มถ้าตัวเองไม่ได้เดื่มอ่าเดืมด <c oughs> ้วยก็ ดืมแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปทำให้ไปทําผิดศีลข้ออื่นดื่ด้วยกิน ด, ด้วยเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนที่ดื่มโซรารก็มกักจะขาดสติจะไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทําของตนเองได้ก็จะพูดจาบางทีหยาบคายพูดจาเลอะเทอะฟังไม่รู้เรื่องทําให้เป็นคนที่ไร้เครดิต เราเวลาเจอคนบางนี้เรามักจะไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้กันเนะพราะไม่อยากจะโดนลูกหลงก็จะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักการดื่งสซลามันก็มีโทษหลายอย่างนอกจากไม่มีสติแล้วก็ทำลายร่างกายของตนเองเสี่ยงต่อการเป็นโครคภัยไข้เจ็บ หลายอย่างอายุจะสั้นคนเดือดรา้มากๆนี่จะอายุสั้นแล้วก็เสียเวลาแทนที่จะเวลาไปทำอะไรให้เป็นประโยชน์ไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่มีวันที่จะทำได้มันมเป็นปตัวขวางเลยใช่ไหมครับเป็นตัวขวางความเจริญทางด้านจิตใจแล้ว เ, เป็นตัวที่ไปทำลายสติ ที่เป็นตัวสาคัญในการพัฒนาจิตใจการที่เราจะทำอะไรได้นี้เราจะต้องมีสติถ้าคนไม่มีสติแล้วก็เป็นเหมือนกับคนที่นอนหลับทำอะไรไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ก็ ถ, ถึงมกกักจมีกฎเวลาไปทำงานนี้ห้ามดื่มสุรามีที่สำนังกงานไหนไห้ยที่ทำงานที่ว่าดืม่มโซดาได้ เม้าแล้วก็ทํางานไม่ได้แล้วถ้าเดื่มมากๆติดเป็นนิสัยก็จะเสียงานเสียการตอนคืนก็ดื่มกันดึกพอตอนเช้าก็ตื่นไม่ทันไปทํางานไม่ได้ก็จะเสียงานเสียการและนานที่สุดก็จะต้องตกงานเพราะไม่มีใครจะจ้างเสียงานเสียเวลาเสียสุขภาพ แล้วก็เสียเงินการเดินโซรานี้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะเกิดรายได้ขึ้นมามีแต่รายจ่ายได้มีแต่เสียอย่างเดียวไม่ทราบว่าจะดื่นไปทําไมได้หลายความสุขหรือได้หนีความทุกข์ได้หนีปัญหาต่างๆชั่วคราวเพราะเวลามึนเมาแล้วมันก็ลืมเรื่องปัญหาต่างๆไป แต่พอหายมาก็มันก็กลับมาเจอปัญหาเดิมดังนั้นคนที่ดื่มสวรานี้จ ะ, จะเจริญทางด้านจิตใจไม่ได้และทางทางลาบยาศสรรเสยก็จ ะ, จะเจริญไม่ได้ถ้าดื่มมากๆนะถ้าดื่มจน ต, ติดเป็นติดติดการดื่มสซรา ติาแต่ว่าไม่ถึงขนาดไปเรือ่อยๆบางพวกที่หนักนี่ยเขาต้องไปเข้าอสถานบําบัดเพราะไม่งั้นตายไม่ติดว่าทานไปเรื่อยๆแต่ทานทุกวันนะอ <c oughs> เขาก็จะไม่เจริญไปกว่าเท่าที่เขาเป็นอยู่นะออืมอืมมทั้งทางโลกทั้งทางธรรม ทางโลกก็จะล่ำรวยจะทำอะไรใหญ่โตมากไปกว่านี้ก็ทำไม่ได้อ่าเราก็จะไปทำบาปข้ออื่นได้คนเมาก็มักจะไปซํำส้อนมีภรรยาแล้วแต่ก็จะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโทษกับเราไม่ควรทำ วาขาดิตสภาวะอีกนิดนึงค่ะมันจะมีสภาวะบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดสภาวะกลัวตายอะค่ะหลวงพอ่อที น, นี้อันนี้บางครั้งบางครั้งมันกลัวแล้วมันมีอารมณ์ผวานะคะอืมแต่บางครั้งเนี่ยก็สามารถดูมันเฉยเฉยแล้วมันก็ผ่านไปแต่จิตมันบอกว่าไม่อยากเจออารมณ์นี้เลยอะค่ะความกลัวตายมันก็เกิดจากความไม่รู้และเกิดจากความอยาก เาไม่รู้คือไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราพอเราไปยึดกับร่างกายเราก็จะมีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายอยากจะให้มันอยู่พอเราคิดว่าถ้ามันตายเราจะตายไปกับมันเราก็เลยกลัวแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เวลามันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราก็จะไม่กลัวเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเวลารถทังนี่เราไม่กลัวเราซื้อรถใหม่ได้ใช่ไหมรถทันเก่าเสียแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ ร, ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ดีๆนี่ถ้าเรารู้ว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปเราก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนร่างกายใหม่ได้เราก็จะไม่กลัวตาย อย่างที่เรามาเกิดเนี่ทุกเท่านี่เรามาเกิดนี่เรามาเปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายใหม่มันคิดได้ด้วยสมอง่ะคะแต่จิตมันยังเหมือนกับว่ามันยังก็คิดบ่อยๆไงนะคะอ่าคิดไปเรื่อยๆคิดบ่อยๆมันเหมือนยังห่วงในสิ่งรอบตัวที่ในปัจจุบันยังห่วงในเรื่องยโสสารเสริญอะไรอยู่อย่างเนี้ค่ะก็ต้องคิดว่ามันต้องจากกันเนี่ยพยายามคิดบ่อยๆเพราว่าต้องอต้องพงบ่อยๆเพราะมันต้องจากกันไม่มีใครยับยั้งได้การที่จะต้องตายการที่จะต้อง สูญเสียราภยศสรรเสริญสุขนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถ้ายอมรับความจริงก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมรับความจริงก็จะทุกข์ก็มันจะเกิดขึ้นเป็นบางช่วงอะค่ะไม่ได้ตลอดเวลาเราพยายามพยายามนึกดูบ่อยๆ น, นางกิเลสตัว น, นี้มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นถ้ามีะอะไรอย่างเงี้ยคระเราถึงต้องเตรียมยารักษาสู้กับมันเตรียมธรรมะสู้กับมัน พรุทเจ้าดึงสอนให้นึกบ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากลาบยศแลรเสริญสุขให้คิดอย่างนี้บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ทุกวันมันเหมือนข้อสอบข้อใหญ่ที่ต้องเจ อ, นนอในอนาคตก็เลยจะจะเตือนเราอยู่เรื่อยๆก็ต้องรีบทําการบ้านไงก็ทําอยู่แต่มันยังยังไม่สมาทําน้อยไปวันนึงคิดถึงเรื่องนี้สักสักกี่ครั้งอ่ะไม่ไ ม, ไม่เป็นบางวัน่ นัแหล ะ, สะแสดงว่าประมาทเนี่ ย, รยพระพุทธเจ้าบอกป้านนนท์ว่าต้องคิดถึงเรื่องนี้ทุกลมหายใจออก <c oughs> ค็คิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยจนกระทั่งมันไม่ลืมเมื่อ <c oughs> มันไม่ลืมแล้วมันก็จะไม่ไม่อ่ะมันจะไม่หลง <c oughs> ตอนนี้มันหลงอยังยังมีอารมหลงอยู่ันยังหลงคิดว่าจะอยู่ไปนานๆ <c oughs> ให้คิดอยู่บ่อยๆว่าเรามาอยู่ชั่วคราว เอาทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันไปไม่เข้าไปก่อนแล้วก็ไปก่อนหรือไปพร้อมกันต้องจากกันเวลาใดเวลาหนึ่งให้คิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วอันนี้มันจะทําให้ใจเรายอมตรงได้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกเฉยๆไปเข้าไปเถอะไม่มีอะไร อยู่ก็อยู่เลี้ยงเวลาไปก็ไปแต่สังเกตนะคะว่าเวลาที่มีสมาธิมากๆนะคะตัวนี้มันมันจะไม่ไม่ไม่ไม่กระทบกับใจเราใช่ <c oughs> เราจึงต้องพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆเพราะสมาธิจะทำให้ใจเราโปร่งได้ใจเราเฉยการนั่งสมาธิจะได้อุเบกขาอุเบกขานี้จะทำให้ใจเราเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเพราะสมาธินี้ให้ความสุขกับเราเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปเพราะสิ่งที่เราสูญเสียไปนี่มันกับสู้สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้คือความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันมีมากกว่าความสุขที่เราจะสูญเสียจากลาบยศสารเสริมสุขเราก็เลยจะไม่รู้สึกเดือดร้อน แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะทำใจไม่ได้เราต้องพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆให้มากๆทําให้มันสงบตลอดเวลาเวลาไหนาไม่สงบก็กลับเข้าไปกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะสงบทั้งวันเวลาไหนาไม่สงบก็เข้าไปเหมือนกับเราคอยฉีดยาสงบให้กับคนไข้ แอตทัสมาลีของดูจะมีสองแบบท่ะคุณพ่อก็คือการนั่งนั่งสงบเลยหรือว่าเราอคล้ายๆว่าคำถามว่าสมาธินี้มันถึงต้องนั่งสงบก็นั่งให้มันสงบมันก็งเรียกสมาธิไงถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่ใช่สมาธิไม่รัตนาหมดเลยใช่ไหมคะก็ไม่ก็ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ ถึงแม้ว่ามันจะรับรู้อยู่มันก็ไม่ไม่มีอารมณ์กับมันก็ได้เฉยๆขอให้จิตเป็นอุเบกขาได้ยินเสียงแต่ก็ไม่มีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินได้สัมผัสกับความเจ็บของร่างกายก็ไม่มีอารมณ์อยู่กับมันได้พูดง่ายๆคือไม่มีอารมณ์หงุดหงิดลำคาญไปกับอายตนะที่เรามาสัมผัสใจเฉยใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขา บางทีสงบมากๆมันก็ไม่รับรู้อะไรเลยหายไปแม้แต่ร่างกายก็หายไปก็มีสองแบบแต่ตัวตัวที่เป็นตัววัดสมาธิก็คืออุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขาถึงแม้ว่าจะได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสใจก็ไม่มีความไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ก็ใช้ได้หรือบางทีหายไปเลยรูปเสียงกลิ่นรสหายไปเลย อันนี้ก็เหล้อแต่ตัวรู้ตัวเดียวอย่างนี้ก็ยิ่งดียิ่งลงเข้าไปลึกใหญ่เราต้องการตัวนี้แล้วพอเวลาออกมาเราจะได้มีตัวนี้มาคอยรักษาใจเราไม่ให้มีอารมณ์กับสิ่งที่เราสัมผัสแต่เพราะตัวนี้มันอ่อนกำลังลงพอเริ่มพอสัมผัสกับอะไรเริ่มมีอารมณ์เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่นี่มีขั้นตอนของการใช้สมาธิรักษาใจ ถ้าเราอยากจะรักษาด้วยปัญญาเราก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ <Okay. S 1> เวลาสอนคอยเตือนว่าเป็นใจรัก oh. มันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับร <Okay. S 1> ู้เช่นเห็นเจ้าสามีก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น <Okay. S 1> เขาอยากจะมีแฟนอีกกี่คนก็เรื่องของเขาแล้วเราจะไม่มีอารมณ์กับเขาเ <Okay. S 1> ออ แต่ถ้าเรามีความอยากความหมุดหมิดแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีนะอะไรมันก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาดังั้นเราต้องใช้ตายลักตัดอารมณ์ที่เราจะไปมีความผูกพันกับปัญาตนะต่างๆกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รับรู้เพื่อให้ใจเรารู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารู้เขาจะดีเขาจะชื่อเรื่องของเขา เขาจะซื่อสัตว์กับเราไม่ซื่อสัตว์กับเราก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความหวังอะไรจากเขาแล้วไม่มีปัญหาปัญหาของเราคือเราชอบไปหวังอะไรจากเขาพอหวังอะไรแล้วไม่ได้นางใจหวังก็เสียใจถ้าได้ก็หลงระเริงคิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆก็อยากจะได้นู่นต่อได้คือว่าจะเอาสอบอ่อนได้มากๆเขาก็เบื่อี๋ยวก็สอบกลับ <laughs> พอสอกับก็เสียเสียใจน้องให้เนี่ยปัญหาของคนเราอยู่ตรงนี้เพราะใจไม่รู้จักคําว่าเฉยไม่รู้จักคําว่าพอกันเอพอโลภแล้วมันจะเอาว่าเอาเอาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกันทั่งคนที่เขามีความเมตตากับเราเบื่อบางทีเขาเมตตากันแล้ ว, อ, ลวอยากจะได้อะไรเขาเราก็ให้ครับเขาก็ให้เราพอเขาให้เราเราก็อยากจะเพิ่มขอเพิ่มขึ้นอีกพอขอเพิ่มอีกไม้สองสามครั้งเขาก็ไม่เอาแล้วละ เพราะไม่มีวันสุดไม่มีจบหรอกใช่ไหม<ช>เออเพราฉะั้นทำใจเฉยทาใจสงบมีสมาธิแล้วจะมีความสุขใจแล้วจะมีความพอใจที่จะทำให้เราไม่โลภไม่อยากได้อะไรจากใครแล้วจะมีแต่คนอยากจะให้เราแล้วอพอเราไม่อยากจะได้เนี่ยมีคนก็อยากจะให้เยอะแยะไอ้ <laughs> คนที่อยากได้้วไม่ค่อยก็ไม่ค่อยอยากจะให้หรอก แต่คนที่ไม่อยากได้นี่ก็าอยากจะให้เขาแต่คนที่ไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้จริงๆให้มาเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรสำหรับตัวเขาเนะเขาก็ไปทาประโยชน์ต่ออย่างคนที่บริจากทองคาให้หลวงตาเนี่นะบยบริจากเงินท่านก็ไม่อยากได้หรอกในใจท่านไม่รู้จะไปทำอะไรเล่นเด็กอะ่ะท่านก็เอาไปทำประโยชน์ให้กับโลกสงเคาะโลกไปเนั้นเอง คนที่มีสมาธิมีความอิ่นใจแล้วจะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายใจใช่มากกว่าเป็นทุกขราบพอได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาต้องหวงต้องห่วงใช่ไหมวเวลาได้แฟนมานี่หวงไหยหวงไห ม, หไหม <laughs> ถ้าไม่มีแฟนนี่ไม่มีหวงไม่มีห่วง เ, เราก็ไม่เสียใจเดียวกับแฟนไปมีแฟน ก็อนไปมีแฟนใหม่ขึ้นมาก็เสียใจเองพยายามมาทําสมาธิกันเถิดแล้วพอเรามีความสุขใจแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรได้อะไรมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราต้องนักต้องหวงต้องห่วงแล้วต้องอยากอยากให้เขาอยู่กับเรานา น, านๆอยากให้เขาดีไปเรื่อยๆพอเขาเปลี่ยนไปหน่อยก็เสียใจ พวกเราไปหาความสุขผิดที่ไปหาความสุข บ, น, บนกองไฟพูด ง, ง่ายๆราบยศสรรเสริญสูงนี่มันเป็นกองไฟแต่เราไปคิดว่ามันเป็นกองสุขกันคิดว่ามีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีตาแหน่งสูงๆมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอจะมีความสุขมันเป็นความสุขเดียวๆความสุขเวลาที่มีอยู่เวลามันหายไปนี่ก็จะทุกข์ขึ้นมา วเวลาเจริญก็ดีแต่เวลาเสื่อมนี่บางคนถึงอยากกระโดดติกตายกันก็มีพอสามีไปมีแฟนใหม่เขานีโอ้โหอยากจะฆ่าตัวตายนะหรือภรรยาก็ได้ไม่แย่ว่าแต่สามีเเดียวว่าฝ่ายเดียวภรรยาไปมีแฟนใหม่สามีก็เสียใจได้เหมือนกันฆ <c oughs> ่าตัวตายได้เหมือนกัน เพรนความสุขทางโลกเนี้มันเป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะมันเป็นเหมือนความสุขที่เคลือบความทุกข์อยู่เหมือนน้ําตาลที่เคลือบยาขมเวลาอมใหม่ๆก็หวานดีพอน้ําตาล จ, จางหายไปแล้วก็เหลือแต่ความขมขื่นเดินไม่ข้าคลายไม่ออกจะเลิกกันก็เลิกไม่ได้เลิกก็อกอย่างเหงา อยู่ด้วยกันก็ต้องมาทุกข์เอาก็เลยต้องเลือกว่าเอาแบบไหนทุกข์แบบไหนดีกว่าก็ทุกข์แบบอยู่ด้วยกันดีกว่าเนื้อส่วนใหญ่คนที่เขามีคู่กันเนี่ยมันทุกข์มันสุกแค่ใหม่ๆเท้านะั้นเป็นน้าตาลพอพอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนอยู่กันไปเนี่ยก็อยู่กันแบบเกินไม่เข้าขาไม่ออก งั้นมาเรามาทําสมาธิเถิดถ้าทําใจให้สงบได้แล้วจะเจอความสุขที่แท้จริงจะไม่ต้องพึ่งพาสายไขมาให้ความสุขกับเราแม้แต่ร่างกายเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังมีความสุขได้ถูกเพราะว่าอุเบกขาแต่ความว่างมันเหมือนกันนะมันก็อยู่ด้วยกันอ่ะมันเต็มที่มันเป็นอุเบกขาเพราะใจมันว่าง มันก็จะต้องทำไปเรื่อยๆจะเป็นสัญญาตาเลยทีเนี้ยเออใจให้ว่างจากความคิดปรุงแต่งเน่ยพอใจเราไปคิดปรุงแต่งเข้ามันก็เกิดตันหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาถ้าใจมันว่างใจมันสงบมันก็มีความอิ่มมันก็พอมันไม่ก็ไม่หิวมันก็ไม่ต้องมปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส พวกวันทุกวันนี้เรากำลังเข้าหากองทุกกันเราเดินเข้าหาราบยศสรรเสริญสุขกันมันเป็นความสุขเดียวๆความสุขที่เป็นผิวเกลือบความทุกข์ไว้ความสุขบางๆผิวบางๆเวลาได้อะไรใหม่ๆก็ดีใจแล้วต่อมาก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วเวลามันเสียไปหรือมันเปลี่ยนไปหรือมันหายไปก็เสียใจ สักวกันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราถึงไม่อยากตายกันเนี่ยเพราะเวลาตายนี่เราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักไปแต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่เรารักเนี่ยเวลาตายเราจะไม่รู้สึกอะไรขอทานนี้ตายง่ายกว่าคนรวยนะขอทานนี้ตายมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรจะทุกข์เพระพาะมันจะทธเจ้าถึงสอนให้พระอยู่แบบขอทางเนี่ย อยู่แบบไม่มีสมบัติให้อยู่แบบขอทานให้ให้ร่ำรวยทางจิตใจให้ร่ำรวยด้วยความสงบและเวลาร่างกายตายไปนีใจจะไม่เดือดร้อนถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราต้องยุติหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่น แล้วมาหาัดหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันใจจะสงบไม่สงบอยู่ที่สติสตินี้เป็นเหมือนเบรกใจเราต้องเบรก ค, ความคิดเวลาคิดแล้วมันจะปลุกอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวกัน ถ้าไม่มีความคิดเหล่านี้มันก็จะเฉยๆว่างไม่ไม่หิวกับอะไรความไม่หิวนี้ก็เป็นความสุขทาให้เกิดความพอถ้าคิดแล้วต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอไปกินขนมเสร็จก็อยากจะไปเที่ยวต่อเที่ยวต่อก็อยากจะไปที่นูน่นไปทำอะไรต่อมันมันมีอะไรให้ทำไปชอปปิ้งต่อไปซื้อข้าวของต่อ ซื้อกระเป๋าแล้วก็อยากจะซื้อรองเท้าซื้อลองเท้าก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าก็อยากซื้อของประดับซื้อแหวนเพชรซื้ออะไรมีอะไรให้ซื้อซื้อหมดอ่ต้าให้มีเงินมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ถ้าเราไปตามปล่อยให้ใจไหลไปทางความคิดมันก็จะพาเราไปหาสิ่งต่างๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะทุกข์เพราะเวลาอยากแล้วไม่มีเงินซื้อบ้องซื้อมาหมดแล้ว แต่ความอยากยังไม่หมดนั่นก็จะทุกข์นะฉะนั้นเราต้องหยุดอย่าไปทางนี้กันกลับเข้ามาทางข้างในมาถือศีลแปดกันสล้วความสุขข้างนอกถือศีลแปดนี่ก็นอนกับแฟนไม่ได้นะห้ามนอนกับแฟนห้ามกินมากเกินไปกินเพื่ออยู่อยากกินตามความอยาก หลังเที่ยงวันก็พอแล้วกินสำหรับร่างกายนี่เหลือเฟือแล้วตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี่กินให้พอหลังจากนั้นก็อย่าไปกินจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิ ง, งต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงไม่คุกคีไม่ไม่สังคมกับใครจเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดให้ได้พอใจไม่คิดแล้วใจสงบก็จะมีความสุข ดีก็ได้ออกไปเที่ยวหลายร้อยเท่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขงังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ยมชื่อว่ามีอาจารย์คนเคยกลับเรื่องสมาธิของยมตอนนี้บอกว่าการที่เราให อุเบกขาแล้วให้ทําเนื้อไปตัวอุเบกขายมก็เข้าใจว่ายมก็ว่างยูว่างอยู่ตอนนี้ม่พี่เห็นหมออาจารย์บอกว่าอุเบกขากับว่างเกิดตัวเดียวกันตอนนี้ยมมาเจตงว่ารู้ว่าว่างรู้วอุเบกขานี่คือขับกล่อมีเป๋าเจ้าข่าคือเราต้องการให้ทําใจให้เราว่างจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างต่าง มันจะเกิดขึ้นเวลาใจสงบใจนิ่งแต่เวลาออกจากความสงบมานี่มันจะไม่ว่างนะ้พอมันไปเห็นรูปได้ยินเสียงมันก็เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะกำจัดมันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปโลภอย่าไปอยากถ้าเราไม่ไปโลภไปอยากกับสิ่งที่เราเห็นเราก็จะไม่โกรธเวลาที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ แล้วพอเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็จะว่างไปตลอดว่างโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้คือขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราต้องการรักษาความว่างด้วยปัญญาเพราะเวลาเราออกมาเจอกับอายตนะมันจะไม่ยอมว่างเพราะเรามีกิเลสอยู่ข้างในมันจะเห็นแล้วมันจะเกิดความโลภความชังขึ้นมา ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยุ่มกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปอยากได้เพราะว่าได้มาแล้วจะทุกข์มากกว่าสุข mm hmm. พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกัน mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องเสีย mm hmm. เสียไปเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียก็จะเสียใจแ้วความเสียใจนี้มันอันตรายกว่าความดีใจความดีใจดีใจเดียวเดียว แ้วแต่ความเสียใจมันไม่เสียใจเดี๋ยวเดียวมันเสียใจนานมันเนี้ยถ้จะฆ่าเราได้บางทีเสียใจมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายต้องใช้ปัญญาต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะมันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่สามารถทําตามที่เราต้องการได้เสมอ ถ, ถ้าเราเห็นสามตัวนี้แล้วเราก็จะได้ ไม่อยากจะไปยุ่งกับอะไรเห็นอะไรก็จะเห็นเฉยๆเห็นกระเป๋าก็เฉยๆเห็นเสื้อผ้าก็เฉยๆเห็นรองเท้าก็เฉยๆเห็นเงินทองก็เฉยๆมันจะรู้สึกไม่มีความไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เห็นแล้วใจก็จะไม่มันใจมันจะสบายมันจะอิ่มมันจะพอถ้ามีปัญญาคอยกําจัด ถ้าไม่มีปัญญาพอเห็นอะไรปั๊บก็อยากจะได้ถ้าถ้าชอบก็อยากจะได้ถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปทีบางทีของตา่ตางๆเราไปสั่งมันไม่ได้ไปเจอของที่ไม่ชอบจะสั่งให้มันหายมันไม่ยอมหายไปเจอคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าจะทำาัไงถ้าทำใจได้ทำใจเฉยๆได้ก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็จะฮึดเพฮึดทัดอยู่ในใจนั่นแหละ พอพูดถึงประเด็นนี้ค่ะก็ที่ตัวเองีบยยัตรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเจ้าค่ ะ, ะแต่ว่าบา่ครั้งเราเอาไปรับผัสษาเนี่ยค่ะแล้วเราไม่ทันนะคะเราก็จะมีอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาแบางครั้งเราเบรกได้ก็อยู่แค่จิตถ้าเบรกไม่ได้มันก็จะออกมาทำวายใจากายแล้วเราพอมันออกไปแล้วเราก็กลับมาคิดว่าเออเราไม่ทันมันนั่นเนาะสอบตกไงออสอบตกอีกแเนาะเราต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนซ้อมไว้ก่อน ถ้าเรามีเคยเคยสอบสอบตกข้อนี้เราก็ทำล้วก็มามาแก้ใหม่มาซ้อมต้องเจออีกก็ต้องดูว่าเราเราเร็วขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซ้อมก่อนที่จะไปเจอเลยซ้อมยังไงคะก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นนะเออเหตุการณ์ที่ทำให้เราสติแตกอ๋อหนูไม่ไม้นึกผ่าแล้วผ่านไเลยเช่นเราเจอคนเกลียดนี่เราไม่อยากจะเจอคนเกลียด นึกถึงหน้าตาคนเกลียดบ่อยๆยังไงก่างเขาทวนในจิตอีกครับบ่อยๆยังไงทั้งเราเอาวังเฉยได้พอเราเจอคนเกลียดเราวางเฉยได้อ็หมายถึงเหตุการณ์ที่ผ่านแล้วเราสอบสวนแล้วก็ทวนอารมณ์บ่อยๆเพื่อดูที่ว่ามันขึ้นอได้ซ้อมไว้ก่อนเนี่ยเช่นจะเวลาเจอคนด่าแล้วทีไรเราสติแตกสักทีก็นึกถึงภาพที่เวลาที่เราจะเจอคนที่เขาด่าเราเราอยู่สิใจเราเฉยได้ไหม ใช้ไม่ได้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสีว่าเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าแล้วเราอยู่ในโลกนี้เราจะเก็บตัวไม่ให้ไปเจอสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ก็มันก็มีบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ก็สลับกันอยู่เนาะก็ต้องท้าให้มันให้ได้ถ้าถ้ามีปัญญามันก็จะได้มันถ้ามันเห็นว่าเราอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยอย่างฝนตกนี่เราเดือดร้อน เราไม่ชอบฝนเราไม่อยากเปรียบฝนแต่เราก็ต้องอยู่กับมันได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเจอคนด่าแล้วก็อยู่กับเขาได้ถ้าเราเอาหูทวนลมเสอย่างมันก็ไม่มีปัญหาไม่โกรธไม่อะไรไม่ได้เอสว่าอย่างเดียวเออก็เราห้ามเขาได้หรือเปล่าจิตไม่ว่างแล้วก็ผ่องใสเออก็เปรียบเทียบเขาเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศเราห้ามได้ปะ คนเข้าด่าแล้วก็เหมือนเสียงฟ้าร้องไปก็หมืนเนี่ยกรเรียกว่าทาการบ้านเป็นทีละข้อทีละข้ อ, อข้อไหนที่เป็นเรายังทำไม่ได้เราก็มาฝึกทำไว้ก่อนแล้วพอเราไปเจอเหตุการณ์จริงมันก็จะทำได้เืี่ยทุกอย่างเราต้องทำการบ้านก่อนอันนี้ก็คือเราจะเรยปัญญาแล้วใช่ปัญญาจินตนาการไปก่อนยังไม่เจอเหตุการณ์จริงถ้าเหตุการณ์จริงเรียกว่าภาวนามยปัญญาออคือพอปล่อยวางได้ทาใจเป็น อุเบกขาได้ก็แสดงว่าเป็นภาวนามย์ปัญญาใจไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องผ่านท่านทำการบ้านก่อนเหมือนนักเรียนเนี่ยอาจารย์ก็ให้การบ้านไปทำเนี่ยสอบแต่ละข้อคุณต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ น, น้อยละ<ข>น้อยไปก็น้อยมากก็อยู่ที่ความขยนันของคุณบางคนขยนันทวันนึงทำได้หมดเลยก็มีร้อยข้ออย่างคนที่เขาปฏิบัติทั้งวันเขาไม่รู้จะทาอะไรก็าทาข้อสอบ เขาก็ทําการบ้านทั้งวันเขาไม่ชอบเขาทุกกับเรื่องไหนเขาพิจารเรื่องนั้นอย่างกะเขาจะหายทุกข์พอหายทุกข์แล้วเขาก็หมดปัญหาเขาก็ไปหาก็เขาก็ไปทดลองดูอดูว่าหายจริงหรือไม่หายจริงท่านอาจารย์เจ้าค่ะยอมจะขอคำยืนท่านว่าปีๆก่อนรุ่งมาการยินท่านอาาท่านอาจาก็ไม่จ่าบอกว่าเออ เป็นอาการนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตานะแล้วพอหลังจากเจ อ, อติดไม่นานแล้วก็รู้รึกว่ามีค้างเน่ะยอมเรียนเล่าให้ไม่ได้ฟังพยายามจะเข้าไปประตูนี้่ค่ะพยายามจะเข้าไปประตูนี้แล้ว ร, รู้สึกว่ามันไม่มันไม่มีประตูให้ยอมเข้าแต่ใจรู้ว่าต้องเข้า แล้วก็รู้สึกว่าครั้งแรกนี่จะเข้ามาตรงนี้รู้ว่าจะเข้าแต่เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ก็ถอยไปแล้วที่วันดีคืนดีผ่านไปที่วันเอามาถึงจุดนี้ต้องต้องเข้าแล้วต้องเข้าแต่ว่าแต่ไม่ยังเข้าไม่ได้แล้วครั้งที่สามนะครับอาจารย์มาจุงนี้อีกแต่ไม่มีประตูมันก็ปูนหล่อไม่เหมือนกับปั้มกำแพงพอหลังจากนั้นก็เข้าเลยครัอาจารย์อืเข้าเลยเข้าเลย เขาแล้วมองไปนะโอ้พ่อจันก็มันเหมือนกันลงหนังลงใหญ่แหละพ่อจายัน mm. แต่ว่าเก้าอี้เยอะแต่ไม่มีคนอู mm. ไม่มีคนดูดูหนังไม่ยิน แ, แต่มีเดิกยอมคนเดียวแล้วเสร็จแล้วก็เห็น mm. เห็นมีคนหนึ่งมาผ่าอสุภะผ่าอสุภะเลือดชกเลยนะพ่อจ mm. อันเออก็ผ่าแล้วยมก็โรโรอสุภะโรโร รูไปดูมาคนที่ผ่านนี่ก็กลเป็นอสุภะไปอแืแล้วนั่นจะพาแล้วไปไปเลี้ยวสักครู่อีกคู่หนึ่งภาพอสุภะหายไปแล้วแล้วไปเดียวสักครู่ออกมาตัวคล่องตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆใกล้ก็เท่านี้พภาพจำเท่ากับเช้านี่แล้วอยอมก็มองตัวเสืรานี้ทำไมใหญ่อย่างนี้อืมองยอมก็รูรูรูรูเสแล้วยอมก็รู้สึกว่า ไม่จิตไม่มีวันเลยลงผ่าสุภาพจิตก็เฉยเลือด ก, ก็ไหลโชกแต่เจอเสือตัวนี้ใหญ่มากยองก็เฉยไม่เฉยเสร็จแล้วยองก็พันหน้าเสือไปเลยเพอพันหน้าเสือแล้วก็ยองก็ตื่นขึ้ น, นมาตื่นขึ้นมาแล้ววันนั้นมีสองปูออกไปบ้านก็เล่าข้าวใกอ้ยองก็ไม่รู้ความหมายอนนนะไรเลยฉันก็บอกว่าถ้ามาถึงจุดนี้เราออกมาทําไม ก็อ๋อแม่ตาช่วยที่ใครอธิบายที่ยอมคาใจอยู่ตรงนี้เจ้าคะอ๋อการที่โยมเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้มีผลอะไรต่อจิตใจของเราอ๋อไม่จะมีอ่คือเราต้องถามถามเรากลัวเสือไหมตอนนี้ไม่ไม่กลัวไม่กลัวลองไปเดินเข้าหาเสือดูเดินเราไปเดินเข้าหาเสือดูอ๋ออันนี้จีจังอ่า นั่นสิยังไปขึ้นเานั่นสิก็ยังไม่รู้อ่าเรายัางกลัวตายอยู่วะป่ากลัวตายก็ไม่มากาก็ก ย, กยังกลัวอยู่ที่กลัวตายก็ช่างมานันเตรียมพร้อมแล้วก็ตกถ้าถ้าไม่กลัวตายก็ดีถ้าจังเจ้าคขาแล้วหลายตีก่อนท่านก็บอกว่าเออถ้าอาการอย่างนี้เป็นอันนี้จังทุกขนันอันอันตายนะคะแล้วแต่แล้วมันบันดีตานี่หลับไปมันจะมีวงกลมๆท่าจัง วงกลมๆเหมันจะฟ้าสว่างบางทีก็มีแสงก็มีมีแสงปี๊บๆออกมาเนี่ยเออเออนั่นนะแล้วก็บางครั้งก็ระวังเรื่องจองกลมนะพระอาจารย์นึกมองได้ในห้องก็ใต้เสมืดปิดๆหมดนะไฟมืดมองได้ในห้องนึกถึงว่าสว่างสว่างหน่แต่ไม่ไม่ชัดไม่ไม่เยอะนะคระอาจารย์แล้วไอ้วงกลมๆนี้บางทีก็ บางทีมีวงกลมๆๆอยู่ในนี้อยู่ในตรงนี้เรื่อยๆเราหลับตาแล้วก็เห็นทุกๆ <ฮะ S 1> แต่ว่าอะไรไม่รู้ไม่ต้องรู้บ้าหรอกไม่มีความหมายอะไรสําคัญไม่มีความสําคัญอะไร<ฮ>ะมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนการเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ย <ฮะ S 2> เห็นอะไรมันก็เห็นแล้วก็มันก็หายไปหายไปแล้วก็อย่าไปสนใจมันมันต้องมีตลอดแล้วบางทียอมหลับลงไปนะคาับางทีก็พอหลับลงไปเสร็จแล้วก็ มีอะไรล่วงหน้าก็มาบอกนูนจีแล้วก็ไม่ผิดนะฟังใจก็ <c oughs> ท่านนั้นแหละมันก็ยังไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรใจของเราก็ยังยังมีกิเลสมันเดิมอยูอ่เราต้องการนั่งเพื่อให้กิเลสมันหายไปมไม่ต้องการที่จะเห็นอนาคตเห็นอดีตเห็นอะไรเพราะของเหล่านี้มันไม่สามารถมาทำให้กิเลสเราหายไปได้ สิ่งที่จะทําให้กิเลสเราหายไปได้ก็คือเราต้องนั่งทําใจให้มันว่างให้มันปกตินพอว่างจีนึงก็อยากไปเดินจงกรมอ่านั่นแหละอยากพึ่งไประยะว่างก็อย่ากพึ่งไปอยากให้มันว่างไปนานๆหรือว่าถ้าจะไปเดินจงกรมก็ให้มันเอาความว่างไปด้วยเวลาเดินจงกรมก็ทําใจให้ว่างอย่าให้มันไปคิดไปมีอะไรกับอะไร แล้วถ้าอาจารย์แต่ก่อนที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุนะมันเข้าสมาธิมันจะมันจะตรงนี้มันจะมีวงุมวงวงเข้าเข้าได้เข้าได้แบบว่าเป็นชื่อมองเป็นอะไรอย่างนี้นะะแลเดี๋ยวเจอเจ็บปวดหนักๆอย่างเงี้ยที่เจ็ดว่าสาหัสทนไม่ได้เงี้ยเป็นเดือนสองสองสามเดือนเนี่ยแล้วไอ้สมาธิตรงนี้มันมันมันมันชัดเจน หายไปสั้นไปเลยเหลือนิดเดียวค่ะอาจารย์มันทายัางไงถึงจะได้สู้กับเจ็บปวดได้ก็ต้องทําใจให้ว่างทําใจให้สงบนั่งอย่าไปดูอะไรอย่าไปเห็นอะไรถ้าเห็นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเวลานั่งใช้อะไรนั่งมีอะไรตัวกํากับใจหรือเปล่าใช้อ่าก็อยู่กับพุโทโธไปได้ ให้อยู่กับพุทโธแล้วความเจ็บของร่างกายจะไม่มารบกวนใจ<ม>จะแยกกันอยู่คนละส่วน<ม>ความเจ็บของร่างกายมันก็เก็บเจ็บไปแต่ใจของเราไม่ไปมีอารมณ์กับมันเราก็จะไม่สะเทือนใจ<ม>ความเจ็บของร่างกายไม่ไม่เป็นอันตรายเหมือนกับความเจ็บของใจความสะเทือนใจของใจใจสะเทือนเขาเพราะเระไปอยากไปอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ด้วยการใช้พุทโธพุทโธไป หรือถ้าใช้ปัญญาก็สอนใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องเจ็บแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพียงผู้รับรู้ความเจ็บใจไม่ต้องไปเจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายด้วยการอยากไปอยากให้มันหายถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วบางท่งานโยมก็เออมันมันมันรู้สึกเข้าเป็นเป็นสมาธิแล้วมันมันมัน ข้างแรกมันก็เข้าไปเข้าเสร็จแล้วมันมันมันก็สว่างนะครับะอาจารย์แล้วนี่แผ็นตรงๆววมเลยววมวัวมวมวมแล้ประเดี๋ยวสักคู่ยอมก็จ้องดูววมเสร็จแล้วก็ยุคไปดูมันทําไมล่ะไม่ไม่ได้อยู่พุทโธแล้วเนี่ยระวังไนั่นล่ะเอเข้าอ่นั่นล่ะอย่าก็อย่าไปให้เดี๋ยบอกอย่าให้ไปหานี่ไม่ใช่ให้อยู่กับพุทโธไปอืพุทโธพอพุทโธแล้วมันก็เข้าไปตรงนี้ ไม่ก็มันมันเข้าไปก็ดึงกลับมาหาพุทโธม่อย่าอย่าไปอย่าอย่าทิ้งพุทโธอถ้าต้องค่ำถ้าทิ้งถ้าทิ้งพุทโธแล้วมันก็จบมันก็ไปไม่ถึงความว่างไม่ถึงความสงบตรงค่ําก็จะทําให้ดูน้ำพระจันทร์เย็นอย่างพอเห็นตรงนี้บวมแล้วก็ยุบยุบแล้วก็ประเดี๋ยวก็เขียวเขียวแล้วก็ตกกะเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆแล้วประเดี๋ยวอีกอีกอีกคืนอีกคืนต่อไปตรงค่ําก็จะทำงานให้ดู ผู้ชายทำงานทํามาทําทําไปทํามาเนื้อเนื้อหนาหนาก็หลุดหลุดหลุดเนื้อไดกระโหลกกระโหลกกระโหลกสักคู่ฟ้าเมือก็กระโหลกอะไรก็หลุดเหมาะเห็นเห็นแบบนี้มันจะผิดหรือเปล่าพระอาจารย์ในนี้ทำให้เราอยู่กับความเจ็บได้หรือเปล่าเราอย่างยังทุกกับความเจ็บอยู่หรือเปล่าเป็นอย่นี้ก็ใช้ไม่ได้เราต้องนั่งเพื่อให้เราไม่ทุกกับความเจ็บเยมันจะเจ็บเท่าไหร่เราก็อยู่กับมันได้เฉยกับมันได้ อืมอ๋าาาาอาพเอมันเห็นคนจะเรื่องกันเราต้องเห็นความเจ็บแล้วอยู่กับมันให้ได้ปล่อยวางได้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บมึงจะเจ็บเท่าไรกูก็อยู่กับมึงได้ต้องเห็นอย่างนั้นเห็นแต่เจ็บนี่มันจัอ ย, าายังสารพนะัดเจ็บเจ็บแคจะตักข้าวมากินเบองอยางสั่นเ่ะก็ไม่เป็นไร ที่สันเพราใจสันมันใช่ร่างกายสันมันมันไม่มีแรงมันเป็นตั้งหลายเลือนซ้ํำอยนั่นแหละมันมรักษาอะไรก็ไม่ใจเราไม่มีกําลังที่จะสู้กับความเจ็บเพราะเราไม่ทําใจให้นิ่งให้ว่างพอเราพุทโธปั๊พอไปเห็นนิมิตเข้าก็ทิ้งพุทโธไปดูนิมิตแทนมันก็เลยไม่ถึงจุดที่มันจะทําให้มันเฉยๆกับความเจ็บได้แต่ถ้าเราพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่จุดที่มันเฉย แล้วเวลามันเจอความเจ็บมันจะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแพทย์จันเจค่ะบางทียอมมืดมืดในห้องเลยชอบปิดไฟมันมีรวงอะไรอะไรในเพืพ่อนแพทยาจานก็ใช่ของมันก็ไหลมันจะมีการเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราทําใจให้นิ่งให้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างมไม่ให้ไปอะไรก็ลาทิ้งาาไม่ให้ไปรักไม่ให้ไปชังไม่ให้ไปกลัวไม่ให้ไปหลงกับอะไร ขอบคุณพระอาจารย์เขายมขอกอภรณ์นะเดี๋ยวให้พรก่อนนะรับพรก่อนใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะพราคุกะานวนาให้จิตว่างให้จิตเป็นอมเบคานะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจนิมิตต่างๆนะทุกวันนี้จิตยงจะว่างเ่า อย่างที้นของพ่ออยากให้เราคอยๆดีดอ่าดีดีดบางทีนะอ่านั่งไม่ได้นั่งนะหลับตาหลับตานอกดวงตาในตาในจะมีมีคาๆจะเป็นมิดเลือดขาวไม่ทราบออย่าไปสนใจไม่ต้องการไมไม่ได้ไม่ได้เกิดบ่อยอ่าทานี้ก็อย่าไปสนใจกลับมาพุโธพุโทโธดีกว่า เราต้องการให้มันว่างไม่ไม่ไม่ไม่ให้เห็นไม่เห็นอะไรอะไจะไม่เห็นอะไรให้เห็นแต่ความว่างอยุดแต่ความว่างว่างแล้วมันสบายค่ะว่างก็สบายต้องการความสบายใจเห็นแล้วบางทีก็มีกลัวได้มีมีหลงได้นป็นธรรมชาติไม่เป็นไม่ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่ค่ณพูดตอนนี้อาจจะไม่ร้เป็นเพื่นที่เป็นภูเขาอะไรเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นไปค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ไม่สนใจไม่ไม่ไม่ไม่ปรากฏขึ้นบ่อยบางครั้งนานๆจริงนี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าจิตนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีให้ว่างดีกว่าให้มันว่างให้ใจเฉยๆสบายหยุดทนทุกวันนี้จิตปืนจะว่างอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่า ทีแรกก็แม่เ อ, เอ็มกลับเรียนอาจารย์บอกว่าเห็นว่าไม่ว่าอะไรขึ้นมาโยงกัอุเบกขาได้ใช่ใช่แล้วกมากกว่าอุเบกข า, าทีนี้นก็เลยึงแรกเข้าใจว่าอห็นทีสัลับเรียนทำอุเบกขาทําไม่ก็มากกว่ า, วาก็ต้องเป็นปัญญ า, ญญาต้องเห็นญญเห็นทุกอย่างว่าเป็นอ น, นิจจังญญทุกขังแล้วนะจะว่างจากอุเบกขาแล้วว่างแล้วเราก็รู้ว่ากำมันว่าอย่ารู้รู้รู้รู้อย่างนี้ตลอดไปใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะเวลาไปเวลาไปเจออะไร ไปเห็นอะไรก็ให้ใช้ปัญญาว่ามันเป็นเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาให้มันปล่อยวางเพื่อใจจะได้เป็นอุเบกขาไปนานๆไปเรื่อยๆออ ร, รู้อยู่ข้างหจัดก่อนออุเบกขาอก็เลยก็งั้นแล้วก็อุเบกขาก็คือปัญญาอต้องใช้ปัญญานนก็ต้รู้ทุกอย่างสิอ่ะรู้ทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาหรือว่า หรือว่าร่างกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเงินทองของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้อันนี้รู้รู้อยู่ในจิตแล้วให้ปล่อยวางทุกอย่างรู้เพื่อปล่อยวางอาจารย์เดียวจังหลายปีก่อนอดีรู้เพื่อปล่อยวางเจ้ค่ะปล่อยวางเขาจะหลุดพ้นนะ นะส่พระพุทธเจ้าก็ยังเผาได้เลยแล้วพระพุทธรูกทําไมจะทุบทิ้งไม่ได้ถ้ามันตายแล้วก็ทุบทิ้งทําชาพนักกิจไปเข้าใจไหมอา่อาอ่มันไม่ได้มีความเสียหายตรงไหนหรอกเข้าใจนะร่างกายพระพุทธเจ้าก็ยังเผาเลยแล้วแม้ไม้แกะสลักพระพุทธรูกทำไมจะไปเผาไม่ได้มันถัก ม, มาตั้งนานแะล้วนะก็เห็นอยู่ ดีก็ปล่อยให้พระกองนอนอยู่กองกองขยะยมันน่าดูหไหมอุจจาาตาเ บ, บาบใช่ไหมเขาไหนมันเสียแล้วก็ก็จัดการมันจะฝังมันกบมันอะไรให้มันพ่นหูพ่นตาไป แล้วถ้าเกิดเราต่อเสียง น, นะครก็าาได้ถ้าต่อได้กันได้เหมือนเดิมนก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีนอะไระมันอยู่ที่เราอ่ะบางคนไม่ได้พอคอหักเราต่อได้ก็ไม่ขังละถามว่าไม่งนั้นบูชาผิดเราบูชาไม่ได้เพื่อความขังเราบูชาเพื่อเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพื่อเตือนให้เราทำความดีคิดดีพูดดีทาดี ไม่ใช่เพื่อที่จะร่ำจะรวยเพื่อที่จะไม่มีโจรขึ้นบ้านมันไม่มันไม่เกี่ยวอะโจรนไม่กลัวละมันตัดเสียงท่าไปขายอย่างเงี้ย น, นะเราเข้าใจความหมายผิดของกี่วมันบอคถ้าลูกไว้คุ้มครองรักษาบ้านเรารถเราชีวิตเราคุ้มครองไม่ได้หรอกนะเราอยู่ในโลกของอนี้จังมันต้องมีวันดับ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้ายัางยังคุ้มครองตัวท่านไม่ได้เลยร่างกายท่านก็ยังต้องตายเหมือนกันเราใท่านยัมาคุ้มครองเราได้ไงใช่ไหม <Yeah. S 1> ร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมด <Yeah. S 1> แต่ที่คุ้มครองคือใจของเราให้ใจของเราไม่ไม่ติดอยู่กับกองทุกของการเวีนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ที่เราม า, มาแก่มาเจ็บมาตายกันเพราะเรามาเกิดอะไรที่ทให้เรามาเกิดก็เพราะกิเลสของเราแต่ถ้าเรากาจัดกิเลสของเราได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอเราไม่เกิดเราก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเราก็อยู่ที่นิพพานสบายพมังสุขขังมีความสุขตลอดเวลา จิตยังอยู่เหรอเจ้าค่ะอ้าวจะไปไหนล่ะคุณก็ลอยไปประมาณมันก็มันก็อยู่ที่เดิมที่อยู่ตอนนี้จิตมันไม่ลอยไปไหนจิตมันอยู่ในโลกที่จิตมันเหมือนเหมือนกับคนที่อควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยใครเห็นเขามีหุ่นกู้ระเบิดไหมเขาใช้สัญญาณวิทยุสั่งให้หุ่นเข้าไปกู้ระเบิดแต่คนกู้ระเบิดก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้เครื่องควบคุมใช้สัญญาณวิทยุ สั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสั่งให้มันทำนู่นทำนี่ร่างกายก็เป็นก็คือมีมีแต่นามไม่มีรูปอยู่คนละโลกกันเนี่ยคนควบคุมอยู่ในโลกคลิปอ๋อเขาก็ยังอยู่นะร่างกาไม่มีร่างกายไม่มีหุ่นนั่นั่นเองก็สบายอยู่เฉยสบายว่างก็เหมือนอยู่ในสมาธิไงเวลานั่งสมาธิเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดมีแต่ความสุขพลังสุขขังไปอ่า จิตไม่มีวันตายการปฏิบัตินี้เป็นการชำระ ก, กิเลสให้ออกจากจิตเหมือนกับเวลาไปซักเสื้อผ้าเนี่ยเราซักเสื้อผ้าเพื่อกําจัดคราบสกปรปกใช่ไหมเวลาซักเสร็จแล้วเสื้อผ้าหายไปด้วยเปล่าไม่หายนั่นเลยสิเวลาชำระกิเลสในใจแล้วใจหายไปด้วยเปล่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นไม่มีร่างกายเพราะไม่มีเพราะไม่มีกิเลสที่อยากจะไป ม, มีร่างกายมันก็เลยไม่มีร่างกายเท่นั้นเอง จิตก็ยังอยู่อยู่ที่อยู่ที่เดิมแต่อยู่แบบสุกปรมังสุกขังเรียกว่าเราเรียกว่านิพานกายเข้าใจไหมเราใช้กระแสจิตส่งมาเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเห็นรูปได้รับอายตนะต่างๆเข้ามาแล้วก็เสพอายตนะนั้นเหมือนคนนั่งดูหนังเข้าใจไหม เวลาหนังจบคนคนดูตายไปด้วยกันหนังหรือเปล่าใช่ไหมหนังจบคนก็ออกจากโรงไปเวลาร่างกายนี้ตายไปคนก็ไปหาร่างกายใหม่มันไปเปลี่ยนโรงหนังใหม่ถ้ายังอยากจะดูหนังต่อก็เราไปหาโรงใหม่ดูใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีความอยากจะดูหนังเราเบื่อแล้วซ้ำซ้ำซักซัอละครน้ำเน่าก็เลิกเลิกดูก็อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเหมือนกรปิหายไปไหนหรือเ่า คนดูก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเออยังจิตไม่หายบางคนคิดไปถึงนิพพานแล้วจิตหายยปฏิบัติไปทําไมให้มันหายเออเออพอเข้าว่าจิตศูนเนี่ยปราังศูนย่างนิพพานนิพพานศูนก็เลยคิด่าศูหมดศูนย์หมดก็คือดับไปหมดแล้วดับตะกิเลสไงกิเลสดับหมดที่ดับก็คือกิเลสตัณหาอวิชชาโมหะนี่ดับหมดออ ว่างจิตถึงว่างไม่มีอะไรอความว่างของจิตเราเราเรียกว่าศูนย์เราบริเวณที่ว่าความว่างของจิตทําให้จิตศูนย์ไปด้วยจิตไม่ศูนย์จิตว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่จิตตัวเดียวเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เวลาที่เรานั่งสมาธิก็เหลือแต่สักแต่ว่ารู้แสดงแต่ว่ามันสักแต่ว่ารู้ชั่วคราวพอออกจากออกมามาเจอญานะมันก็เกิดความรักความชังขึ้นมาแต่ถ้าเราําจัดตัวรักชังกลัวหลงไปหมดแล้ว เวลาเจออะไรมันก็จะรู้เฉยเฉยมันจะไม่มีรักชังกลัวหลงกับอะไรก็จะมว่างๆสบายเห็นอะไรก็ยิ้มสบายพอใจแต่ไปกาบครูบาอาจารย์แต่เราของท่านว่างงท่านใคยมีบอกว่าทุกข์มั้งไหยไอ่ค่อพวกเราเจอกันที่ไรก็บ่นทุกข์กันทุกทีทุกข์กันเรื่องนั้นทุกข์กันเรื่องนี้ออ นะเนี่ยแหละอย่าไปคิดว่าศูนยะ์เนอะอย่างนนคนจะไม่กล้าปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วศนะูนย์นันไปปฏิบัติทําไมรักตัวกลัวตายแทาตายแล้วพอมาปฏิบัติถึงนี่พาลบศูนย์อีกไงทำปฏิบัติแทบตายแทนที่จะ ไ, ได้รับรางวัลอะไรไม่มีรางวัลเลย <c oughs> สู้อย่าทําไม่ดีกว่านะทํางานก็ไม่เงินเดือนทําไปทําไม <c oughs> ใช่ไหมเป็นความเข้าใจผิดไม่มีศูนย์จิตไม่มีวันศูนย์จิตไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็น ของพระพุทธเจ้าหรือของพวกเราไม่มีวันสูญไม่มีวันตายของพระพุทธเจ้าต่างกับของเราก็คือของท่านเป็นบรลมะสุขของพวกเราเป็นบรลมะทุกข์เข้าใจไหมทุกขกับทุกเรื่องแล้วเรื่องอะไรก็ทุกไปหมดเลยเพราะเรามีกิเลสยังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่มันก็เลยทุกข์เพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากหรือได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์ นี่คือสิ่งที่เราจะ <c oughs> แตกต่างจากพระพุทธเจ้าคือเรายังมีความโลภโกรธหลงอยู่ยังมีความอยากอยู่ก็เรายังต้องทุกอยู่กับความโลภโกรธหลงถ้าเรากาจัดมันได้เราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไปเดี๋ยวคิดว่าจะเปิดโอกาสให้ทางบ้านแ้วมงทีนี้อยากจะเปิดโอกาสมีคนทางบ้านก็ติดตามเขาอยากจะถามปัญหาบ้างมากมาเยอะไหม เยอะเอวันนี้ก็สามอยกว่าท่านเหมือนเดิมไหมพรอาจารย์เออถ้าถ้าสาวที่นี่เยอะกว่านี้หมดไหมนะไม่หมดอ๋อเขพยายามเร่งให้หมดเลยครับแต่บางทีก็ไม่หมดก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับหมดเวลาก็เท่านั้นนะครับอ่าัครบเสียงญาติโยมได้ยินไหมเสียงที่ญาติโยมคุยกับเรานี้ได้ยินไหมได้ยินครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนก่อนคําถามครับมีรายงานมาจาก ป, ปุกนะครับคุณของการถ่ายท่อสดคือทำให้ป้ามีกำลังใจป้าขอกป้าป่วยไอจนหอบฝากเป็นฟ้าไม่มีแรงพอบ่ายสองเปิดเฟซ ด, ดูและฟังถ่ายท่อสดป้ามีกำลังใจใจสบายใจสุขจนอาการเจ็บทางร่างกายค่อยๆจุเลาไม่ทรมานใจค่ะสาธุสาธุพ อ, อยู่เปนานๆ น, นะ ครับก็ต่อไปก็จะเป็นคําถามเลยนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมานะครับจากจากช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็ยังเยอะอยู่นะครับหายไปไหนหมดแล้วพระอาจารย์ว่าตาไปแล้วจิตยังอยู่กับว่ากรรมกรรมกับจิตนี้มันอันเดียวกันนะคะําที่เราทําจิตเป็นคนทํากรรมไงเห็นเรามา ไปไปยิงนกตกปลานี่ก็ไปทําบาปถ้ามาปาาทําบุญก็เรียกว่ามาทําบุญจิตเป็นคนทําแล้วจิตก็ยังต้องรอรับผลผล น, นั่นอยู่ถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องรับผลอีกต่อไปมันจะแสดงผลตอนที่เรามาเกิดเช่นเรามาเกิดไปยิงนกตกปาลาเราอาจจะถูกเราอาจจะมาเกิดเป็นปลาให้เข้ามายิงมามาตกเราบ้างสลับกันไปแต่ถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่ไม่ต้องมาใช้กรรม ไปทําอะไรกับใครไว้ก็จะถูกเขากลับมาทําเรานี่คือกฎแห่งกรรมนี่ก็เพราะว่าชาติก่อนเราเคยไปทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้มันกับกับคนอื่นมันก็เลยกลับมาหาเราสิ่งที่ดีมันก็กลับมาหาเราเราเคยไปช่วยเหลือใครชาตินี้ก็มีคนมาช่วยเหลือเราแต่จะไม่ใช่คนที่เราทํากับเขาใช่ไหมก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเขาเรื่องเป็นใครใช้กันใช้กันอ่าได้ คำถามพอมครับอาจารย์ครัเลยคำถามของไม่เอยนามแล้วกันนะครับวิบากแห่งกรรมที่เราตั้งคันแล้วเหตุให้ต้องแทงไปเพราะหมอมองไม่เห็นเด็กในคันจนเราแทงบุตรออกมาจะเป็นกรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยไหมคะถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทำแทง ม, มันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น หรือเกิดจากการกระทาสุดวิสัยมันจะไม่มีกรรมกับเราคําถามข้อต่อไปจากคุณชิดชนกนะครับบางวันเวลานั่งสมาธิแล้วจิตจะคิดไปเรื่อยทำอย่างไรก็ไม่สงบพยายามกลับมาจาับที่ลมหายใจเข้าออกแต่จิตก็คิดไปอีกจะทำอย่างไรให้สงบคะปัจจุบันใช้ชีวิตปัจจุบันใช้วิธีคิดพิจารณาขันห้าไปเลยคะ่ะ ถ้ามันคิดแล้วไม่สงบก็ต้องใช้พุทโธเท่านั้นแหละพุทโธหรือสวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ไปก่อนยังไม่สงบก็ฟังเทศไปก่อนก็ได้การนั่งฟังเทศก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาในระดับแรกๆถ้าสติเราไม่มีเลยเราต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแต่ถ้าเราสามารถอยู่กับพุทโธได้เราก็อยู่กับพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนก็สวดไป ถ้ามีสติมากพอดูลมได้ก็ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้แต่อยากคิดคิดแล้วมันจะไม่สงบคำถามข้อต่อไปจากคุณนิกกี้นะครับเวลาที่นั่งสมาธิแล้วหลายครั้งรู้สึกเหมือนไม่หายใจจะตกใจนิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้อยากเรียนถามว่าลูกจะทำยังไงเจ้าคะอย่าไปสนใจความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันหลอกเรา มันจะไม่หายใจไม่ได้หรอกร่างกายมันก็ต้องหายใจของมันไปตามธรรมชาติของมันอยู่เงั้นอย่าไปสนใจนะให้เราทำสมาธิของเราไปเรื่อยๆถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆมีอะไรปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจมันแล้วเจ็ดก็จะผ่านมันไปได้จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามข้อต่อไปจากคุณพีภูจังนะครับการรู้สึกไม่ชอบคนคนหนึ่ง ในโลกนี้คนที่ดิฉันไม่ชอบระดับนี้เท่าที่นึกได้มีคนเดียวเจ้าค่ะเพราะไม่ชอบคำพูดเขาที่มักแอบทำร้ายจิตใจคนกิริยาหยาบเช่นเดินเสียงดังคิดและพูดลามกโลภแม้เขาไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงบ่อยนะักแต่เรายังรู้สึกไม่อยากเสวนากับเขาเอาเสียเลยคือทำงานร่วมแผนกกัน<ม>ก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องมี ปฏิสัมพันธ์ในเวลาจําเป็นเคยเข้าใจว่าให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีขึ้นก็พยายามแต่ติดตามฟังพระอาจารย์มาว่าแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกับคนที่มีชีวิตอยู่ถ้าอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่เจ้าคะที่จะเลี่ยงเสียทั้งกายและวาจาไม่พบหน้าถ้าไม่จําเป็น ถ้าใจเรายังไม่มีอุเบกขามีกำลังพอที่จะทำใจให้เฉยก็การหลีกเลี่ยงก็เป็นวิธีหนึ่งแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ตลอดเวลาเวลาที่เจอเขาก็ใช้พุทธโธช่วยก็ได้พอเจอเขาก็ท่องพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปสนใจกับกิริยาอาการการกระทำอะไรต่างๆของเขาอันนี้ก็จะทำให้ใจเราเฉยได้ หรือถ้าเราใช้ปัญญาก็พิจารณาเขาว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมเราไม่ชอบมันก็ต้องเจอมันเพราะเราห้ามน้ำไม่ให้ท่วมไม่ได้ถ้าเราทำใจยอมรับว่ามันท่วมก็ท่วมไปเราก็จะไม่ทุกข์กับน้ำท่วมอันใดถ้าเราทำใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ พอเราทำใจยอมรับว่าเราไปห้ามไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคำถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับเวลานั่งสมาธิกายจะโยกไปมาบางครั้งรู้สึกว่ากายหมุนเป็นวงกลมบางครั้งบังคับมันก็หยุดถ้าปล่อยก็จะหมุนไปเรื่อยๆทําอย่างไรต่อดีคะก็ไม่ควรที่จะไปสนใจเรื่องของร่างกายนะ เวลานั่งสมาธิให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธใช้ลมก็ให้อยู่กับลมอย่าไปเฝ้าดูร่างกายถ้าเฝ้าดูแล้วมันก็จะเกิดอาการอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นวิธีนั่งที่ไม่ถูกวิธีนั่งที่ถูกนี้จะต้องมีอะไรเป็นเครื่องผูกใจจะใช้พุโทโธก็ได้จะใช้ลมหายใจก็ได้จะใช้การสวดมนต์ก็ได้ แล้วนับรองได้ว่าใจร่างกายจะนิ่งจะเฉยแล้วใจก็จะสงบคำถามข้อต่อไปจากคุณโทนี่นะครับกระผมมีข้อสงสัยว่าเวลานั่งสมาธิหรือปฏิบัติเสร็จมักมีเรื่องไม่ค่อยดีตามเกิดจากอะไรครับหรือกระผมคิดไปเองก่อนปฏิบัติควรกราบพระหรือสวดมนต์ไหมครับการปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเป็นคนละเรื่องกัน ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเรื่องที่ดีและไม่ดีมันจะเกิดมันก็เกิดไปตามเรื่องของมันอันนั้นอาจจะเป็นการบังเอิญที่พอเราปฏิบัติออกมาก็มาเจอเรื่องไม่ดีเข้ามันมันไม่ใช่เป็นเป็นเหตุเป็นผลการปฏิบัตินี้เราเพื่อทําใจให้เราสงบเพื่อเราจะได้มีกําลังไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่ดีและไม่ดีต่างๆเท่านั้นเองแล้วการนรั่งสมาธิจะกาบผ้าก่อนก็ได้ไม่กาบก็ได้ เวลานั่งแล้วแต่เราถ้าเราอยากจะกราบก็กราบถ้าเราไม่กราบเรานั่งเลยก็ได้เพราะการนั่งสมาธินี้ก็เป็นการกราบพระอยู่แล้วเป็นการปฏิบัติบูชายังจะใช้อามิสบูชาคือการกราบไหว้หรือไม่ก็ได้เพราะการบูชาที่แท้จริงนี้ต้องคือการปฏิบัติบูชาถ้าเรามีสติอยู่กับพุโทโธนี้แสดงว่าเรากาลังบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ต้องกราบก็ได้ แต่ถ้าเรายังติดอยู่กับอมิสบูชาว่ายังยังไม่ ง, งันต้องกราบซะก่อนเนากราบก็กราบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่สู้ปฏิบัติบูบชาไม่ได้สู้ให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปจนจิตสงบเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าบูชาที่แท้จริงเรียกว่าปฏิบัติบูบชาคําถามข้อต่อไปแก่คุณหญิงนะครับโยมส่งข้อความธรรมะที่พระอาจารย์สุชาติสอนว่า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 ยมขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ด้วยค่ะเรื่องของจิตใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่เปิดตาในเราจะมองไม่เห็นตัวตัวจิตของพวกเราแต่ถ้าเราเปิดตาในเราก็จะเห็นว่าใจของเรานี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี่แหละที่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ในการที่จะเปิดตาในนี้เราก็ต้องนั่งสมาธิเราต้องปิดตานอก เวลานั่งสมาธินี้ให้หลับตาเพื่อจะได้เปิดตาในได้เหมือนกับเวลาเราจะดูหนังนี่เราต้องปิดปิดไฟถ้าไม่ปิดไฟมันจะมองไม่เห็นจอหนังไฟมันจะแสงมันจะจ้า ก, กว่าภาพบนจอหนังแันใดถ้าเราอยากจะเห็นโลกทิพย์เห็นหนดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณต่างๆเราต้องปิดตานอกหลับตาแล้วก็ดึงใจเข้าสู่โลกทิพย์ ตอนนี้ใจเราออกมาอยู่ที่โลกกธาตุโลกของร่างกายเราต้องดึงใจกลับเข้าไปในโลกทิพย์ถ้าเราดึงใจกลับเข้าไปในโลกทิพย์เราก็จะเห็นสิ่ ง, งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราก็จะเห็นว่าดวงวิญญาณต่างๆนี่ที่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วเขาก็อยู่ที่โลกทิพย์แล้วเ้าก็จะรอจนกว่าเขาจะได้ร่างกายเขาถึงจะโผล่ออกมาที่โลกกธาตุอีกทีนึ่ง อันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้ที่ให้เชื่อนี้ไม่ได้ให้เชื่อเพื่อจะไม่พิสูจน์ที่เชื่อนี้เพื่อให้ เ, าเอาไปพิสูจน์เหมือนกับเราเชื่อหมอหมอให้ยามากินเราถ้าไม่กินยาเราก็ไม่รู้ว่ายานี้จะรักษาโรคของเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาไปกินเราก็จะรู้ว่ารักษาได้หรือไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ า, เ, าเราไม่ตายไปกับร่างกายเราตายแล้วเราต้องกลับมาเกิดใหม่หรือไม่ เราต้องเปิดตาในเราต้องนั่งสมาธิถ้าเรานั่งแล้วเราก็จะเห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอเหมือนกับที่มีโบราณพูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเห็นต่อให้ใครมาพูดอธิบายจนปากเปียกปากฉีกคนฟังก็เหมือนคนหลับตาคุณลองไปบอกคนหลับตาว่าสีแดงสีเขียวมันเป็นยังไงดูดูเสียว่าเขาจะเห็นไหม ไม่มีวันเห็นได้หร้วสีแดงเป็นอย่างนี้สีเขียวคุณยาที่ว่ายคนตา บ, บอดอย่างว่าสีเขียวกับสีแดงมันต่างกันแล้วก็สอนให้เขาลืมตาไม่ดีกว่าเฮ้ยลืมตาสิลืมตาก็เห็นเองถ้าน้องอยากจะเห็นดวงวิญญาณเห็นดวงจิตดวงใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายก็ลองนั่งสมาธิดูถ้านั่งสมาธิได้จิตสงบก็จะเห็นเอง คำถามข้อต่อไปนะครับคำถามข้อต่อไปจากคุณแ๋อแอนะครับผมนั่งสมาธิในห้องนอนพอเหนื่อยแล้วผมก็ลุกเดินรอบๆห้องถูกไหมครับพระอาจารย์ถูกวิธีการเดินไหมครับถ้าผมไปเดินข้างล่างถนนสี่ห้าทุ่มกลัวคนเขาจะว่าผมบ้าคือเดินที่ไหนก็ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เดิน อยู่ที่ว่ามีสติกับการเดินหรือไม่เวลาเดินเราก็ต้องมีสติควบคุมใจเราเหมือนกับตอนที่เรานั่งเวลาเรานั่งเราพุทโธเวลารุกขึ้นมาเดินเราก็พุทโธต่อแต่การเดินก็ควรจะเลือกที่มันเหมาะสมอย่างที่เขาพูดก็ถูกถ้าไปเดินในที่สาธารณะคนเขาก็อาจจะคิดว่าเราเพี้ยนไปก็ได้ถ้าเราจะเดินในที่สาธารณะเราต้องต้องทำเหมือนกับเหมือนกับเดินตามปกติ เดินไปไกลๆแล้วก็เดินกลับมาเช่นเวลาเราไปไหนมาไหนเราถือเป็นการเดินจงกรมอะไรก็ได้เต่เราเดินห้างแทนที่จะดูเสื้อผ้าดูรองเท้าแล้วก็พุทโธพุทโธไปก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราเรากําลังเดินจงกรมอยู่เสื้อผ้าก็หันไปมองกลัใหม่อย่างนั้นเดินกิเลสไม่ใช่เดินยกไม่ไม่ใช่เดินไม่ได้เดินจงกรมเดินกิเลส เดินตามกิเลส เ, รรเดินโยมกลเพื่อหยุดกิเลสก็ต่อไปคําถามข้อต่อไปจากคุณนัทวัฒนะครับจะควบคุมความโกรธได้อย่างไรครับก็ใช้สติในเบื้องต้นก่อนเวลาเวลาโกรธก็ใช้สติพุทธโธพุทธโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเรื่องคนที่ทําให้เราโกรธแล้วมันก็จะทําให้ความโกรธมันระงับไปได้ แต่ถ้าอยากจะแก้อย่างถาวรก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้แฟนทำนูน่ทนทานี่พอแฟนไม่ทำก็โกรธแต่ถ้าไม่ไปอยากก็ทำอะไรแล้วเราจะไม่โกรธเพาะคาถามข้อต่อไปจากคุณโยมโจ้นะครับการซื้อขายพระเครื่องบาปไหมครับมันก็เป็นสินค้าอย่างหนึงพระเครื่องก็เป็นสินค้าเป็นวัตถุอย่างหนึงถ้าซื้อขายด้วยความ ซื่อสัตว์สุดจริตไม่ชอบโกงมันก็ไม่บาปแต่ถ้าชอโกงกันหลอกลวงกันพระไม่มีความวิเศษอะไรก็มาพันนาว่าวิเศษอย่างนูนอย่างนี้แล้วตั้งราคาแพงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าหลอกลวงกัน อันยังมันต้องควรจะขายตามราคาต้นทุนบวกสิบเปอร์เซ็นตกำไร <alter ing> จนตายครบับอาจารย์โอเคซื้อมาซื้อมาสิบบาทแล้วก็มาพันธนาคุณว่าโอ้ยวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ขายเป็นแสนนีเ้เดี๋ยวนี้มีวิธีการที่อาจารย์หลวงหลวงพ่อโบเกตจะโดนมาจนตอนหลังเนี่ยท่านท่านต้องระวังหมกยควว่ามีคนน่ะมาหาแล้วก็ เอาของมาวางไว้แล้วก็ให้ท่านถือหน่อยนึงแล้ก็ถ้ายรูปไปแล้วก็ไปลงว่าปลุกเสกแล้วเดี๋ยวท่านเลยต้องระวังมากไม่ให้ใครถ้าคาขายแบบนี้ก็ช่อโกงหลอกลวงคำถามข้อต่อไปจากคุณสาัสนะครับผมพยายามภาวนาพุทโธตลอดเวลาที่สติเรื่องอื่นอย่างนี้จะได้บุญไหมครับยังไม่ได้บุญเพราะยังไม่สงบ ถ้าจะให้จิตได้บุญได้ความสงบนี่ต้องไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรเลยให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันอยู่ไปได้ต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวพอสงบแล้วมันก็จะมีความสุขมากความสุขนี้ก็คือบุญบุญนี้มันมีสาม ร, ระดับบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาสิงและบุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบเนี่ย บุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญที่เกิดจากการการักษาศีลหรือทําทานถ้าเปรียบเทียบเป็นธนบัตรบุญที่ทําทานก็เหมือนธนบัตรใบละห้าสิบศียงก็เหมือนใบละร้อยภาวนานี้ใบละห้าร้อยใบละพันผู้ที่ต้องการชอบเวลาถ่ายทอดสดสองโมงทุกวันนะครับสิบสี่นาฬิกานะครับ คำถามข้อต่อไปจากคุณพัชรานะครับอุเบกขากับการทําใจเป็นกลางต่างกันอย่างไรคะอันเดียวกันแต่การทําใจนี่เป็นเหมือนกับก็บเป็นการบังคับมันแต่การมีอุเบกขานี่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นผลที่เกิดจากการทําสมาธิถ้าทําสมาธิจิตสงบแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาโดยที่ไม่ต้องไปทําใจไปบังคับแต่ถ้าเรายังไม่มีอุเบกขานี่เราก็ต้องบังคับมันก่อน เวลาฟังได้ยินเสียงไม่ดีใครดา่าเราก็ทําใจให้เป็นเบคขาเฉยๆอันนี้ก็เรียกว่ายัางยังไม่มีอุเบกขาเพียงแต่เป็นการควบคุมใจให้มันเฉยเช่นเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบฟังเสียงที่เราไม่ชอบแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเพื่อให้มันเฉยอันนี้ยังเรียกว่าเป็นการทําใจแต่มันยังไม่เฉยจริงถ้ามันเฉยจริงแล้วเวลามันเจอเสียงที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบมันจะเฉย มันจะเฉยก็ต่อเมื่อเราได้สมาธิก่อนแล้วถ้ามันอยให้มันเฉยอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาให้สอนว่าอายตนะต่างๆที่เรามาพบนี่เราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้จะเรื่องเอาแต่ของดีๆไม่ได้มนมีทั้นของดีของไม่ดีปนกันมาแต่เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้รับรู้มันได้โดยที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไป จ, จูจีจุกจิกไม่ไปเลือกที่รักมากที่ชังเราต้องสอนใจต่อไปนี้เราอย่าไปเลือกที่รักมากที่ชังว่าเวลาไปเลือกแล้วมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เลือกเราเจออะไรแล้วก็ได้ทั้งนั้นฝึกใจให้สันโดษให้ยินดีกับตามดีตามเกิดนี่คือใช้ปัญญาเพราะเราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถที่ไปเลือกได้เสมอไปเวลาเลือกไม่ได้ก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราไม่เลือกเราก็จะไม่ทุกข์คำถามข้อตอเจ้ากรรมนายเวรส่วนตัวเข้าใจว่าวิบากกรรมของแต่และคนเกิดจากการกระทําของคนนั้นๆถ้าอย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่ว่าคือผลของการกระทําของเราเองไม่ใช่วิญ ญ, ญาณที่ผูกใจเจ็บกับเราใช่หรือไม่ก็คนที่เราไปทําให้เขาเจ็บนั่นน่ะคนนั้นก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วเขาจะจองเวรจองกรรมเรา เหมือนกับเวลาใครมาทําให้เราเจ็บแล้วก็จองเวรจองกรรมเขาเราก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาคําถามข้อต่อไปจะคุณเอคิดนะครับพระน์อรหันต์แล้วยังสูปป่บุรีหรือฉันหมากได้หรือไม่คนที่ไม่เข้าใจมักจะบอกว่ายังสูปป่บุรีหรือฉันหมากยังเลิกไม่ได้แล้วจะเป็นได้อย่างไรอถ้าเขาเลิกมานานแล้วแ้วเขากลับมาสูบเล่นๆจะเป็นไรหรือเปล่า ถ้าเขากินเล่นๆจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเวลาเขาไม่มีกินเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาไม่มีสูบเขาก็ไม่เดือดร้อนนะคือพระอรหันต์ท่านสูบก็ได้ไม่สูบก็ได้มีสูบท่านก็สูบไม่มีสูบท่านก็ไม่หงุดหงิดลำคาญใจท่านก็เฉยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของขันไม่ใช่เรื่องของใจใจของท่านไม่มีความอยากที่จะสูบหรือไม่สูบมีสูบก็สูบไม่มี เวลาไม่มีสูบท่านก็ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่มีความอยากคนที่มีความอยากนี่เวลาไม่ได้สูบนี้จะหงุดหงิดําคาญใจแต่คนที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจอย่างสมุนโยมไม่ติดกาแฟเนี่ยเวลาดื่มกาแฟโยมจะเดือดร้อนเมื่อเวลาไม่มีกาแฟได้ดื่มเฉยๆดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ใช่ไหมแต่คนที่ติดกาแฟนี้ไม่มีเวลาไม่มีดื่มนี่จเป็นยังไงเดือดร้อนไหมนั่นก็ลักษณะแบบนั้นอะ คนที่ไม่ติดแล้วเขาจะกินอะไรก็ได้ดื่มอะไรก็ได้แต่เขาไม่ติดอ่ะเขาเลิกมาแล้วเขาหยุดมานานแล้วแ ต, แต่ตอนนี้เขาไม่รู้จะทำอะไรว่างๆก็ก็ดูดมันไป <c oughs> <c oughs> ดูดมันไปก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปขอใครเข้ามา <c oughs> เข้ามาให้เนียใช่ไหม <c oughs> อ่าจิตไม่ได้มีความความยินดีร้ายกับมัน มีก็สู่ไปไม่มีก็ไม่สู่ไปอย่างญาติโยมเมาของมาถวายมาให้ดื่มให้กินไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยไม่เคยดื่มมาก่อนก็มาให้ดื่มก็ดื่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หาว่าหลวงพ่อติดได้ขวดเขียวๆใช่ไหมไม่ติดหรอกไม่เอามาก็ไม่ได้ดื่มมึงไม่เคยไปเรียกร้องใครไม่เคยไปบอกใครเอาน้ําเขียวๆมานะเข้าใจไหมไม่มีเดือกก็มี กูดื่มก็ดิ่มได้มันก็เป็นหน้าเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเป็นพระมัหันแล้วก็สแสดงความโกรธได้อยู่เหมือนกันจะเป็นละครใช่ไหมคะเป็นกิริยาบางทีจะสั่งสอนใครไปรูปผัวก็มันไม่เชื่อต้องตอบหัวมันถึงจะกลัวเป็นกิริยาแต่จิตไม่ได้มีไม่มีความโกรธกับเขาแต่ก็สแสดงได้ใช่พระพุทธเจ้ายังดา่าพระเลยยังว่าตำหนิพระเลยยังจับสึกเลยบางคนเขามองว่ามันขัดแย้งกันเขาไม่รู้ไงเขามองจากจิตที่มีกิเลสมันก็ขัดไปไ ก็ไม่เคยรู้ว่าจิตที่ไม่กิมีกิเลสเป็นอย่างไรเราก็ดูจักริยาเลยกสิทธิจักริยาอ่าใช่หลายพวกมีกิเลสบางทีมันก็อ้างว่าเป็นกิริยาบ้างนึ่งมันก็เลยดูยากอ่าใจมับซอนอาจารย์ครับผมฟังวิทยุครับแล้วครูบาอาจารย์ท่านเทศว่า ฌานของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต่างกันนี่ต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ไม่ใช่ฌานยานยานนะครับยานนะครับยานคือความรู้ ค, ความรู้ของพุทธเจ้านี่รู้มากกว่าความจําเป็นที่จะต้องรู้เข้าใจไหมสิ่งที่เราต้องรู้ที่จะทําให้จิตดุจพ้นนี้สมมติว่าเป็นเรียนหนังสือก็แค่เรียนได้ผ่านสองจุดก็ผ่านแล้วแต่พระเจ้านี่ได้ถึงสี่จุดแต่ความรู้สี่นี้มันไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้ มีแค่สองจุดก็ก็บรรลุปเป็นพระอรหันได้เห็นพระแล้วบางรูปนี้ท่านท่านสอบได้แค่สองจุดแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านได้สี่จุดทุกวิชานความรู้ความเจรจาของพระพุทธเจ้าจึงมากกว่าของพระอรหันพระอาจารย์นะแต่บางรูปก็เท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นพระพระทยายกย่องพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยมันระดับปัญญานี่เกือบจะเท่าเราเนะ่ะอาจจะสามจุดแปดสามจุดเก้านู่นเออ่ย ท่านถึงยกข่้ยเป็นมือขวาไงส่วนพระโมคลานี้ก็ได้สามจุดเก้าทางอิทธิฤทธิ์เนี่ยอก็ให้เป็นมือซ้ายก็แล้าไดกันองค์อื่นไม่ไม่ถึงระดับนี้ท่านก็ไม่ได้ยกย่องแต่บางองค์ก็ที่เก่งวิชาทานอลองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระสีวลีได้สามจุเก้าเนี่ยพุทธเจ้าได้สี่จุดพระสีวลีก็ได้สามจุดเก้าแปลว่าสี่ิบเอตเอตพัทธก็คือเก่งในสี่สิบได้ชาสี่สิบวิชาต่างกันไป พระนนทเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาอจําผู้จาได้หมดพระพุทธเจ้าพูดอะไรสอนที่ไหนจําได้หมดเลยอัอนนี้ก็ได้สี่จุดทางความจําในวิชาเข้าใจไหมพระอาจารย์ครับแล้วระดับความรู้อของพระพุทธเจ้ากับพระปฏิเจธพระพุทธเจ้าครับพระอาจารย์ก็แต่ละองค์ท่านอาจจะมีความเหลื่อมล้ําต่ำสูงกันเพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ท่านก็บางทีบางเพ็นบารมีมาอ มีความโชคโชนมากน้อยต่างกันก็ได้แต่เราไม่รู้นะเราไม่ไม่กล้าไปอาจเอื้อมไปวิาพากวิจาร์แต่เราคิดว่าภาพประจิตการนี้ท่านทาไมท่านไม่สอนแสดงว่าหรือว่าท่านไม่ไม่มีอันนี้ก็พูดไม่ได้เหมือนกันเ อ, เ, อเอาเอาอางนี้ดีวกว่าไม่รู้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้จะได้ไม่เสื่อมตัว <laughs> เพราะว่าท่านสอนอยู่แล้วว่าความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้านี้เป็นเขาเรีอะไรนะอาจินไตอาจินไตพวกเราปัญญาของพวกเราระดับนี้ไม่สามารถที่จะไปวัดความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเราอย่าไปอย่าไปอาดเอื่อ ม, มดีกว่ามีอาจินไตยอยู่สี่ประการใช่ไหมความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยรายละเอียดต่างๆนี้เราไม่รู้มากหรอกเรา เรื่องของชาญนี่เราก็ไม่รู้รายละเอียดแล้วก็เรื่องของการเรื่องของโลกนี้โลกมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นไปมาจากที่ไหนอย่างไรนี่เราไม่มีวันรู้ได้เห็นเรื่องสีอย่างนี้เราอย่าไปสนใจเพราะมันไม่สําคัญ<ม>ขอให้สําคัญรู้วิธีกําจัดความโลภความโกรธความหลงของเรานี่ก็พอคําถามข้อต่อไปจากคุณฉันลักในธรรมนะครับเวลาเราทําบุญสร้างพระสร้างกุฏิ ผ่านทางแบงก์จะได้อันนิสงเหมือนกันไหมคะถ้าแบงก์ออกไปสร้างแต่ถ้าแบงก์ไม่ได้สร้างาก็ได้เหมือนกันคนทำก็ได้ได เ, เพราะคนทํานี่ได้จากการเสียสละอแต่ประโยชน์จะเกิดไม่เกิดอยู่ที่คนที่รับไปทําต่อถ้าเขาไม่ไปสร้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดกุติขึ้นมาอันนี้ถ้าเรารู้เข้าต่อไปแล้วก็อย่าทำผ่านผ่านทางบุคคล น, นั้นเพราะที่เราฝากคนแล้วคนเข้ามาหลอกเรา ออกมามาเรี่ยไรยผ้าป่ากันใช่ไหมว่าจะไปสร้างกุฏิสร้างห้องน้ําทีวนน่วันนู้นวันนี้พอได้เงินนั้นก็ไม่ไปแ่ก็คงจะถามได้ง่ายว่าอันนี้สงเป็นจิตของเขามากกว่านะคะได้ไงพไเพงราะก็อยอยได้จากการเสียสละไงการให้นี่ผลที่เราได้รับก็คือเกิดจากการเสียสละของเร า, าเป็นสุเป็นสวรรค์เป็นเป็นทานบารมีจะติดไปกับใจของเราอได้อยู่แล้ว แต่เงินที่เราให้ไปนี่จะได้เกิดประโยชน์ตามที่เขาแจ้งมาหรือไม่นี่ก็อยู่ที่คนคนนำไปอีกทีนึ่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราถ้าเราไปรู้เราก็จิตกถ้ารู้เราก็อย่าไปตกก็ได้เรารู้ว่าเราเรารักษาใจว่าเราได้เสียสละไปแล้วเป็นบุญของเราแล้วแต่เขาไปทำอะไรมันก็เป็นความเชื่อใจของเรากับเขาถ้าต่อไปเรารู้ว่าเขาทำอย่างนี้เราก็อย่าไปทำกับเขาก็แล้วกันก็เป็นกรของคนที่เใช่<ๆ>เขาก็ระทาบาปไป ชอโกงไปลักทรัพย์ไปหลอกลวงไปมีบางคนบอกว่าชอบให้พระอาจารย์ตอบเล่าเรื่องเปรียบเทียบกับสมัยพุทธกาลอันนี้ประโยชน์บอกเล่าเิครับคำถามจากคุณนัทวัตรนะครับในพศคลราวาลเราควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้ตกนรกเมื่อตายไปก็พยายามรักษาสีหน้าให้ได้แล้วทำบุญให้มากๆ เพราะว่าเวลาตายไปนี้บุญกับบาปมันจะเป็นตัวที่จะมาดึงใจเราไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปอบายไปนรกได้ยังเราต้องพยายามทําบุญให้มากแล้วก็อย่าทําบาปทําบาปให้น้อยถ้าไม่ทําได้รับรองได้ไม่ไปแน่ๆแต่ถ้ายังทําอยู่ก็ขอให้ทําบุญมากกว่าบาปที่เราทําก็แล้วกันเหมือนบัญชีเงินกู้กับเงินฝาก อ่ะก้อนเงินฝากมากกว่าเวลาปิดบัญชีมันยังได้ไม่ขาดทุนยังไม่ติดลบถ้าติดลบ ก, ก็ต้องไปใช้นี่ถ้าบาปมากกว่าก็เหมือนบัญชีติดลบต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าบัญชีไม่ติดลบบุญมากกว่าบาปก็ไปใช้ไปไปรับผลบุญก่อนพอผลบุญกับผลบาปพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์นี่เป็นจุดกลางๆจุดระหว่างที่บุญกับบาปหมดกําลังที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งที่อยาถามเพิ่มเลยนะค ะ, ะบุญนี่มันจะส่งผลต่อไปหลายๆชาติหรือเปล่าคะก็มันก็มีหมดไงมีหมดไงพอเราทําบุญแล้วพอเราตายไปบุญที่เรามีกําลังมากกว่าบาปนี่ก็ส่งเราไปรับผลบุญที่สวรรค์พอเราเราเราได้ความสุขจากบุญสวรรค์จนกระทั่งมันมันก็หมดไปเหมือนน้มามันรถนะ่ะ พอเราขับรถไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวนะ้ำมันมันก็ ห, กหมดไปเราก็ต้องมาเติมใหม่พอบุญกับบาสมันเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์นี้เป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนสถานีบริการที่เราจะมาเติมบุญมอเติมบาปกันแสดงว่าถ้าจสว่างนไม่มีโอกาสไปเป็นนรกใช่ไหมยังเป็นมนุษย์ก่อนเนี่ต้องเป็นนรกมนุษย์ก่อน อ, อ่เพราะมันบุญกับบาสมันเท่ากัน อ, อบุญจะดึงไม่ไม่ให้ไปบาปไม่ให้ไปอาบายหนูเข้าใจว่ามันมีโอกาสตกในนิรันดร์อะไรไม่ มีถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําบาสมากกว่าบุญแล้วพอตายไปที่นี่บาสมากกว่ามาัองะิงห์ป่ไาไดมันุษเป็นทางผ่านตลอดอมนุษย์เป็นที่เติมบุญเติมบาสนั้นทุกชาติถ้าเรากลับมาเกิดแล้วเราทำบุญมากกว่าบาปล้วก็ยังไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปเที่ยาบ่ายบางคนก็มีมีมีบุญมีความสุขกว่าอยู่สบายกว่าที่บางคนนี่เป็นเพราะว่าผลบุญใช่ผลบุญมาติดตัวมาจากเวลา ท um oh, um ี่เรากลับมาเกิดนี่คนที่ลงมาจากที่สูงนี่จะมีวาสนาบารามีมีฐานะการเงินการทองดีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสแต่คนที่กลับมาจากอบายนี่มันจะเป็นคนอาภัพวาสนาเพราะเพราะผลบาบมันยังมีติดอยู่กับใจอยู่อ่าใช่พี่กนพี่การผูหนวกตาบอดอาการไม่ครบสามสิบสองเนี่ยเป็นพวกที่มาจากที่ต่ำ มาจากกระบายกันพวกที่มาจากเทวดานี่จะมาแบบมีเป็นปังด้วยรัศมีอย่างพระพุทธเจ้าเนี้ยลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี่เป็นปังด้วยบา ร, รมีของท่านขออนุญาตครับอาชาติาาานี้เกิดมาว่าสาสีดีแต่ว่าตัดรับประทาบุญไว้มากแต่ว่าพอตายไปในโอกาสลงไปอบายนะถ้ามีการจัดชาติเก่า ย, ยังเหลืออยู่ก็แล้วแต่ตอนที่ตายว่าอันไหนมีกําลังมากกว่าเนีย ถ้าบาปมีกกำลังมากกว่าบุญก็ไปอบายได้เช่นเทวทัตเนี่ยเทวทัตเกิดมาบวชเป็นพระเนี่ยรักษาศีลภาวนามีอิทธิฤทธิปาฏิหารมีบุญเยอะแต่ดันไปทำบาปที่มันร้ายแรงกว่าคือไปฆ่าพระพุทธเจ้าเพียงพยายามฆ่าสามครั้งนี้มีน้ำหนักมากกว่าบุญที่มาเกิมาในชีวิตเลยยับาปแต่ละข้อมันไม่เหมือนกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอราหันต์นี่เป็นบาปหนะัก ต่อให้ทําบุญมามากน้อยเท่าไหร่นี้ไม่มีทางที่จะเอ่อจะดึงใจให้ออกจากอบายได้มันจะต้องไปอบายก่อนเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าก็ทํานายว่าพระเทวทัตนเนี่ยหลังจากที่ไปใช้กรรมในนรกเสร็จแล้วบุญที่เขาทําไว้ที่เกิดจากการได้บวชนี้มันยังมีอยู่เพอบาปมันหมดกําลังที่จะดึงให้อยู่ในนรกก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะมาบําเพ็ญเป็นพระปฏิเสกพระพุทธเจ้าต่อไปได้เนี่มันบุญที่เราทําไม่หาย บาปที่เราทําไม่หายถ้ายังไม่ไปใช้มันถ้าไปใช้แล้วมันก็หายก็ต้อมาเริ่มต้นใหม่ก็ามาที่เป็นมนุษย์ใหม่แต่มันไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนนะมันก็เริ่มต้นระดับที่บุญกับบาปที่มันเท่ากันอยู่ดังนั้นบุญกับบาปเท่ากันมันอาจจะเท่ากันอยู่ในระดับห้าสิบก็ได้ระดับร้อยก็ได้ระดับสิบก็ได้เวลานั้นมันก็จะมาเป็นมนุษย์กันอย่างเทวทัศน์นี่พอกลับมาจากจากจากนรกนี่ บุญของท่านอาจจะอยู่ระดับ80ก็ได้ทำให้ท่านสามารถพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบวชใหม่ได้แล้วก็มาบำเพ็ญแล้วมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เลยทาให้มนุษย์ที่มีฐานร้อนที่แตกต่างกัน่ทุกค น, กคน ว, ว่าบุญที่เหลือมาอา่ามากน้อยต่างกันเออาก็เลยเสร็จรบนะคะสุนัขที่เราเลี้ยงไว้เราถ่าเขาตายไลเขาจะเป็น ถ้าเขายังไม่หมดบาปเ็ายังมากกวา่าก็ยังดึงให้อยู่ในอบายก็กลับไปเป็นสุนัขหรือเ ป, เ, ปเป็นสัตว์อย่างอื่นต่อเป็นห้าร้อยชั้นไม่แน่นอนก็แล้วแต่กําลังของบาปที่เ็าทำไว้กับกําลังของบุญที่เ็าทำไว้พอถึงระดับไหนที่มันเท่ากันเนี่ยมันถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เอาแล้วนะคิดว่าหมดเวลาพอดีวันนี้สองสองชั่วโมงเต็มเตี่ยมเลยนะ <laughs> อ้า